วันนี้จะคุยเรื่องอนาปานสติกันด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนังสือที่นามาแจกจะเป็นเรื่องของมัควิธีที่ง่ายพรดีหนังสืออนาปาช่วงนี้หมดก็เหลือแต่มัควิธีที่ง่ายก็เลยเอาเล่มนี้มาแจกแต่ก็จะมีอนาปานสติกอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันในมัควิธีมัควิธีที่ง่ายจะเป็นการรวม มักวิธีที่พระศาสดาได้บอกสอนไว้เองว่าเป็นเป็นวิธีที่ง่ายเช่นการพิจารณาผัาษะการแยกองค์ประกอบของภาษาให้รู้ว่าภาษาเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างผลที่ตามมาจากภาษาเที่ยงหรือไม่เที่ยงคือตัวเวทนาอย่างนี้ การพินาศาัาเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลอนาปาก็เป็นมรรควิธีที่ง่ายมีอ น, นิสง์มากบอกสอน บ, บ่อยๆเป็นตถาคตวิหารเป็นเครื่องอยู่ของพระศาสดาเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลเรียกว่าอริยวิหารเป็นเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดเรียกว่าพรหมวิหารนะคำว่าพรหมในครั้งพุทธการนั้น กินความหมายกว้างใช้กับผู้เจ้าก็ใช้กับทำวินายของพระองค์ด้วยเหมือนกันหมายถึงผู้สูงสุดนะการที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่สูงสุดนะการเข้าถึงความเป็นพรหมอย่างีนะ้เป็นพรหมวิหารเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยะเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคต คืออนาปานสติ <c oughs> จะมีการอธิบายถึงอ น, นิสง์ของอานาปานสติไว้ค่อนข้างมากผู้ใดทำให้มากจเจริญให้มากซึ่งอานาปานสติผลที่หวังได้สองอย่างคือพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีในปัจจุบันนั้นถ้าเราต้องการการหลุดพ้นการได้ความเป็นอริยะ เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะอย่างเล่มนี้จะเป็นอนาปาณสติที่รวมที่ผู้เจ้าตัดไปทั้งหมดทั้งชีวิตจะมีสามสิบกว่าพรสสามสิบสองพสูต ร, ร, ต, รตัดซ้ำกันซะยี่สหซะหไม่ซ้ำกันซะ่ห ถ้าเราสังเกตในนี้อนาปานสติที่พระศาสดาบอกสอนจะไม่มีเรื่องคำบริกรรมและไปดูในมุมอื่นก็จะไม่เห็นที่พระตาาคตรสอนเรื่องคาบริกรรมไม่ต้องท่องคาพูดอะไรในใจไม่มีพระเจ้าให้หยุดจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตทำจิตตสังขารให้ลำงับ หยุดการพูดในใจอย่ามีเพื่อนสองอย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์เริ่มนั่นแห่งความเพลินนะรู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยเฉยพระศาสดาจึงบอกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวทำตามพระศาสดาเลยหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ มีไหมคําพูดในใจไม่มีไม่ ม, ม, มีอย่าไปเติมอย่าไปแต่งเติมบทพันธนัพระศาสดาพระองค์ตรัสสอนอย่างไรทําตามแค่นั้นเหมือนโยมเป็นผู้เจ้าเนี่ยโยมต้องการให้สาวกเดินตามตัวเองเนี่ยโยมต้องพูดจากสิ่งที่โยมทำเนี่ยโยมทำยังไงต้องพูดออกมาเป็นคําพูดให้ได้เพื่อให้สาวกเดินตามถ้าสาวกดันไปเติมไปแต่งได้ไหมไม่ได้ก็เท่ากับไม่เดินตามพระพุทธเจ้านั่นเอง มันก็ผิดไปจากที่ผู้เจ้าบอกสอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสาวกไม่มีหน้าที่บัญญัติอะไรสาวกเป็นผู้เดินตามนะเรียกมัคคานุขาผู้เจ้าเป็นคนบัญญัติพรัตถาคตรู้มั ก, ก่อนรู้แจ้งมัชฉลาดในมัชส่วนสาวกนั้นเป็นมัคคานุขาผู้เดินตามเท่านั้น อยู่ที่ผู้เจ้าตรัสไว้สาวกเป็นผู้เดินตามมักคานุคาผู้เจ้ารู้มักรู้แจ้งมักฉลาดในมักปัญญัติการบัญญัตินิรุตติคือภาษาผู้บัญญัตินิรุตติภาษาได้ถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดคืออัันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถ เพราะพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดซึ่งเคยตรัสไว้กับอัิเวสณะบอกอัิเวสณะ <c oughs> จำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิ้ิตอันเป็นในภายในกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดคำผู้เจ้าขัดแย้งกันไม่ได้ไม่มีการขัดแยง้งบอกภิกษุทั้งหลาย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 นั้นถ้าไม่ได้บัญญัติอะไรอย่าไปเติมนะผู้เจ้าจึงสั่งภิกษุเลยบอกภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนไม่ใช่หน้าที่เธอตถาคตอรันตัสมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติคำสอนทุกอย่างนะเพราะผู้เจ้าคือสัพพัญญูผู้เดียวในโลก พระลานทั้งหลายไม่ใช่สัพพัญญนะูอย่างในพระสูตรเมื่อกี้ผู้เจ้าก็จะบอกว่าถึงเธอจะเป็นพระลานที่เลิศทางปัญญาหลุดพ้นด้วยปัญญาก็ตามก็เป็นเพียงแค่ผู้เดินตามนะยมเอาแผ่นที่ไปเดินตามแผ่นที่ให้ดีถึงที่หมายอย่าดันมาทำแผ่นที่ใหม่นะแผนที่นี่ผู้เจ้าเป็นคนบัญญัตินะมอบไปให้ทำและวินยัยผู้เจ้าจึงบอกให้ใช้ธทำและวินยัยที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วเป็นาศาสดาแทนต่อไป ไม่ได้อนุญาตให้วางทายาทสารีบูตรโมฆคลานะพระมหากัสปะพระอนอนท์เป็นทายาทไม่มีถึงแม้พระนอนนท์จะจําคําพูดผู้เจ้าได้มากกว่าใครเพื่อนได้มากขนาดไหนก็ตามมอบให้เป็นทายาตไม่ไม่ไมนะีบอกให้ใช้ทำวินัยเป็นศาสดาแทนต่อพระองค์บอกว่าพวกเธออาจมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาล่วงละไปแล้วศา ส, สดาของพวกเราไม่มีเธออยากคิดดังนั้น อนนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเราทำวินัยนั้นให้มีความเคารพมีฮิลิความละอายโอตปะความเกงรงกลัวต่อบาปในทำวินัยที่ศาสดาบัญญัตินะสาวกไม่มีหน้าที่บัญญัติปัญญัตินิรุตติคือภาษาไม่ใช่หน้าที่เป็นหน้าที่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวให้เราชัดเจนตรงนี้ปั๊บแล้วจะ หมดปัญหาจากนั้นเนี่ยเดินตามไปได้ตลอดผู้เจ้าบอกอย่างไรทำอย่างนั้นบอกอย่างไรทาอย่างนั้น น, <c oughs> นี่เป็นแง่มุมที่เราเจอในเรื่องของอนาปนสติรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆไม่มีเรื่องคำบริกรรมนะ <c oughs> แล้วหายใจมันจะยาวมันจะสั้นก็ปล่อยเป็นธรรมชาติ ไม่ได้ไปอิงกับตำแหน่งของธาตุดินเช่นว่าต้องอยู่ที่จมูกนะต้องอยู่ที่ริมฝีปากนะต้องอยู่ที่หน้าอกนะต้องอยู่ที่สะดือนะมีไหมไม่มีอยู่ที่กองลมลมที่ไหลเข้าไหลออกนะมีบอกไหมว่าหายใจเข้ายาวให้ดูที่ปลายจมูกไม่มีไม่มีอย่าไปเติมนะาหายใจออกยาวให้อยู่ที่หน้าอกนะมีม เข้าสั้นอยู่ที่หน้าอกที่ท้องที่สะดือมีไหมไม่มีไม่มีอย่าไปเติมอะไรทางนั้นนะพระองค์จักแค่ไหนจับความรู้สึกแค่นั้นนะตรงๆ ต, ต, ตามพระศาสดานะอนาปานสติเป็นอย่างไรเล่าอนอนทภิษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามเรามีเรือนว่างนะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงสองขาเนี่ยคู่เข้ามา บอกไหมว่าซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายไม่ได้บอกอย่าไปเติมอีกเหมือนกันบอกไปว่าเอาขาขัดกันต้องขัดเพชรขัดอะไรไม่ได้บอกอย่าไปเติมน ะ, อ, ะอันนี้สาวกมาพูดทีหลังนะใครถนัดขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาตามสะดวกคู่ขาเข้ามาโดยรอบจะเหลื่อมขาก็ได้จะซ้อนขาก็ได้มือบอกไหมว่ามือต้องทำยังไงไม่บอกไม่บอกก็อย่าไปกำหนดว่ามือต้องอย่างนี้นะ มือขวาทับมือซ้ายซ้ายทับขวาไม่ต้องนะยมจะวางมือยังไงก็ได้วางตามสบายนะตรงไหนที่ไม่ได้บอกแสดงว่าผู้เจ้าอ่อนตัวให้แล้วนะอืมเป็นช่องว่างที่เราจะจะทำยังไงก็ได้ตามสะดวกนะแล้วแต่สริละของแต่ละคนนะดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก ตรงนี้ก็จะมีเช่นว่าดํารงสติมั่นเหมือนกันเดี๋ยวบางคนดํารงสติเฉพาะหน้าตรงไหนเนาะเอียงไปตรงหูหรือตรงจมูกหรือตรงไหนนะมั่นอยู่ตรงนี้อีกสำนวนหนึ่งของการแปลคือดํารงสติมั่นนะให้โยมรู้สึกมั่นอยู่ตรงเนี้อยู่กับตัวเนี่ยนะหรือเฉพาะหน้าตรงหน้าตรงเนี้ยรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกแค่นี้นะ ดูเรื่องจิตของโยมจิตโยมเนี่ยเคลื่อนไปไหมเคลื่อนออกไปโน่นไปนี่ไหมนะไปคิดเรื่องอดีตหรือเปล่ปาไปคิดเรื่องอนาคตไหมไปรู้สึกสุขทุกข์ไหมวิญญาณขันเนี่ยตัวนี้จะวนอยู่ในขันทั้งสี่วนอยู่ในลูกเวทนาสัญญาสังขารสี่ท่านเนี่ยมันวนไปวนมาโสดาบันจะต้องรู้อย่างนี้รู้การทำงานของจิตตัตวเองว่าจิตตัวเองเนี่ยไปรับรู้อะไรพระศาสดาจึงบรรัญญัต ว่าคุณธรรมโสดาบันอย่างหนึ่งคือรู้ว่าพระโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณหรือจิตเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้นะสีธ่ธาตุนี้พระองค์จึงเรียกว่าวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งอาศัยของวิญญาณนั่นเองธรรมชาตินี้จะเป็นอย่างนี้โยมจะนั่งสมาธิไปกี่สิปีก็ตาม กิจจะเคลื่อนไปเดี๋ยวคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างพอใจไม่พอใจเฉยๆบ้างกลับมาลมบ้างจะบนอยู่แค่นี้ธรรมธาตุนี้จะเป็นอย่างนี้สองพันกว่าปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ผ่านมาสองพันกว่าปีนี้ก็เป็นอย่างนี้ธรรมธาตุนี้จึงถูกเรียกว่ามันเป็นตถตามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น เป็นอนัญญาตตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทับ ป, ปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าวิญญาณเข้าไปเกาะรูปมันจะรู้รูปถ้ามันเข้าไปเกาะสัญญามันจะรู้สัญญาขณะมันเข้าไปเกาะสัญญามันจะไม่รู้รูปเช่นโยมนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่โยมหลุดไปคิดเรื่องอดีตวินาทีที่โยมคิดอดีตอยู่โยมลืมลมหายใจแล้ว นั่นแสดงว่าจิตเนี่ยรับรู้ได้ทีละธรรมชาติธรมธรมชาติธรรมชาติธรรมชาติไม่สามารถรู้ควบกันสองธรรมชาติได้เพียงแต่ความเร็วของจิตมันสูง <c oughs> เราดูการเกิดดับของมันไม่ทันจึงคิดว่าจิตเนี่ยรู้ได้ทีสองอย่างเลยเนี่ยบางทีเราก็คิดไปด้วยรู้ลงไปด้วยคิดว่ามันรู้ควบกันสองอย่างนะจริงๆไม่ใช่จริงๆจิตเกิดดับตลอดเวลา รัศ ส, สดาอุปมาความเร็วของจิตในการเกิดดับโอกโจิตนี่เกิดดับเร็วมากยากที่จะหาอุปมามาเปรียบเทียบโดยปกติพวกเราจะเปรียบเทียบเหมือนฟองน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวน้ำเกิดเม็ดฟองขึ้นมายิบเต็มไปหมดเลยในทะเลในมหาสมุทรในแม่น้ำลำธารยมนับฟองน้ำได้ไมนับไม่ได้ ไล่นับได้ไหมฟองน้านี่เกิดดับเกิดดับกดับตรงไหนเกิดตรงไหนดับโอ้โหมันเร็วมากยุบยุบยเต็มไปหมดเลยนั่นน่ะความเร็วในการเกิดดับของจิตเร็วมากมเราก็เลยคิดว่าโอ้จิตเราในรู้ได้สองอย่างพร้อมกันเลยนะไม่ใช่ดังนั้นลองฝึกรู้ทีเดียวก็ได้เช่นยมสูดหายใจทีเดียวสูดข้าวปล่อยออก ขนาดนั้นคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรนี่ไงทำไมรู้ได้ถึงลมหายใจเฉยๆรู้สึกเฉยๆว่ามีลมหายใจกำลังไหลเข้าปล่อยออกแต่พอหายใจครั้งที่สองที่สามที่สี่ขยายเริ่มหลุดไปคิดแล้วเอาแค่นาทีเดียวโยมนั่งหายใจนาทีเดียวก็ไม่สามารถเอาลมหายใจให้อยู่ตลอดได้หลุดปุ๊บไปตอนหน้าต่อตาโยมนั่งเฝ้ามาอยู่จะไปไหนนะสังเกตแป๊บ ไปอีกแล้วเห็นนะเราก็เลยต้องมาฝึกไนงะมาฝึกมาฝึกการระลึกได้สติหมายถึงการระลึกได้จิตกำลังกาะลมหายใจหลุดไปเกาะอารมณ์นี่ปับ๊บต้องรีบรู้ตัวเอากลับมาที่ลมหายใจ ท, ทันทีอย่าลืมลมหายใจ การรู้ลมลมก็คือกายเหมือนกันให้ทราบว่าอาณาปานสติคือกายยคตาสติอีกอันหนึ่งนั้นจะมีพุทธวจนะที่ตรัสบอกสอนกายยคตาสติคืออะไรนะอาณาปาคือกายยคตาสติการรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบดคือกายยคตาสติการเข้าชานหนึ่งสองสคือกายยคตาสตนะิการพิรณาอาสุภะ เป็นกายยัตาสติอย่างนี้นนั่นให้เราทราบว่ารู้ลมคือรู้กายและผู้เจ้าสั่งอย่าลืมลมหายใจหรืออย่าลืมกายกายยกตาสติอันชนเราใดหลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าโยมลืมลมหายใจโยมลืมอมาตะคือนิพพานเหมือนกันถ้าอยากได้นิพพานอย่าลืมลมหายใจเกาะลมหายใจไว้ นั้นจำพระสูตรสั้นๆของพระศาสดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายยกตาสติอัญชนเหล่าใดหลงลืมอมตะาชื่อว่านชนเหล่านั้นหลงลืมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายยัตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะาชื่อว่านชนเหล่านั้นไม่หลงลืมอย่าลืมลมนะลมหายใจเป็นกายยัตาสติอันหนึ่งเหมือนกัน ขณะที่เรารู้อยู่กับลมหายใจก็ชื่อว่าเรากําลังบริโภคลมหรือบริโภคกายาคตาสติเหมือนกัน <c oughs> การที่จิตไปรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเรียกว่าจิตเข้าไปรับรู้จิตเข้าไปตั้งอาศัยจิตเข้าไปเกาะเกี่ยวจิตเข้าไปกินอาหารพูดได้หลายอย่าง กุญแจก็ตรัสว่ากายยัตาสติอัญชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วนั้นถ้าเราเอาจิตมาตั้งอยู่กับลมหายใจโยมกําลังบริโภคอมตะเหมือนกันกําลังบริโภคนิพานกําลังได้มาซึ่งนิพานคือความไม่ตายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติ ati, ชนเหล่านั้น ชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะถ้าไม่บริโภคกายยัคตาสติชื่อว่าไม่ไม่บริโภคอมตะเห็นนะดังนั้ น, น, นอาตมาจะยืนยันให้โยมโดยพุทธวจนะทั้งสิ้นจะไม่มีคําของสาวกคนใดคําศาสดาเลิ่ที่สุดดีที่สุดแล้วไม่เอาคําของใครทั้งสิ้นนะเราจะได้มั่นใจได้เลยไม่ตรงกับใครก็ไม่เป็นไรนะคนที่ไม่ตรงจะต้องเปลี่ยนไม่ใช่ให้ผู้เจ้าไปเปลี่ยน เราตรงกับพระพุทธเจ้าพอแล้วองค์เดียวอาณาปานสติเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ได้สมาธิทั้งเก้าระดับนะเพียงพอปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอาการสาณจายเจตนะ วิญญาณัญญาจตนาอากินจัญญาจตนาเนวะสัญญานาสัญญาจตะสัญญาเวทิตันโลนสมาธิทั้งเก้าระดับใช้พื้นฐานจากอนาปานสติได้ทั้งสิน้นในเล่นนี้จะมีบอกไปให้นะพระองค์ตรัสอธิบายด้วยพระองค์เองนะ <c oughs> อย่าลืมว่าสมาธิที่พระศาสดาบัญญัติมีแค่เก้าชื่อนี้ ไม่มีอย่างอื่นนะบางคนจะเคยได้ยินคําว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิให้ทราบว่าศาสดาไม่เคยพูดคํานี้เลยทั้งชีวิตจะคีคํานี้ให้ดูนะเราคีคําว่าคณิกะสมาธิไปคณิกะสมาธิกดค้นหาไม่พบคําว่าคณิกะสมาธิในพระธริมดกบาลีสยมรัฐ คือตัวนี้45เล่มหลักฐานที่เก่าที่สุดในประเทศไทยและในโลกด้วยลองคีย์คำว่า อ, อ, อุปจารสมาธิไม่มีคําว่าอุปจารสมาธิลองคีย์คำว่าอัปนนอปนาสมาธิไม่พบคําว่าอัปปนาสมาธิ นั้นนะวันนี้เราใช้ชื่อสมาธิผิดจำแค่สามชื่อแค่นี้นะกันมานานแล้วสอนกันแต่สมาธิสามขั้นนี้จริงๆมันไม่มีผู้เจ้าไม่เคยพูดเลยสักครั้งเดียวนะผู้เจ้าตรัสสมาธิมีเก้าคำนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจำไวด้ดีๆฌานหนึ่งสองสามสี่นะสี่ตัวแรกนะเป็นสมาธิระดับแรก สูงขึ้นมาเป็นระดับ อ, อารูปตั้งแต่อาการสาวิญญาอาขิน น, นั้นสี่กลุ่มแรกจะเรียกว่ารูปประสัญญาไม่มีคำว่ารูปประชานอีกนะรูปประชานไม่มีอารูปประชานก็ไม่มีผู้เจ้าใช้คำว่าอารูปประสัญญาชานมีแค่4ี่ตัวแรกอยู่ในส่วนของรูปขึ้นอารูปแล้วจะไม่มีคำว่าชาญหรือชานะ ไม่ได้บัญญัติแบบนั้นนั้นเริ่มต้นใช้ให้ถูกจากนิยามชื่อสมาธิที่ศาสดาบัญญัติห้ามผิดนะชื่อสมาธิไม่ได้บัญญัติเล่นๆ โ, โกโก้นะมีความหมายหมดอย่างสัญญาเวทิตานิโรธจะเป็นสมาธิที่หมายถึงการดับสัญญาดับเวทนานะดับคือนิโรธเวทนาเวทยิต นะสัญญาสัญญาเวทนาดับเป็นสมาธิที่ดับสัญญาดับเวทนาได้อีกสองขันส่วนอากาสาเนี่ยสมาธิระดับนี้ดับรูปสัญญาได้ดับได้ทั้งหมดนะจึงขึ้นอากาสาเรียกว่าเป็นอะรูปแล้วไม่มีรูปแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปนั้นสมาธิระดับตั้งแต่อากาสาขึ้นไปเนี่ย ขันหจะเหลือแค่4ขันเพราะรูประขันเนี่ยดับไปหมดแล้วและพอมาถึงสัญญาเวทินิโรธสมาธิระดับนี้จะดับได้อีก2ขันคือเวทนากับสัญญานั้นถ้าเราไปบัญญัติชื่อของสมาธิใหม่เสร็จเลยนะมันจะสับสนไปหมดมันจะทำให้ไม่รู้จักธาตุตามธรรมชาติตามความเป็นจริง นั้น้าตตามธรรมชาติเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลใครเป็นสัพพัญญูรู้ได้ทุกทุ ก, ทกทาธาตุนะที่พระเจ้าบอกแทงตลอดซึ่งาธาตุเป็นอเนกในโลกนี้อรันตาสมาสมพุทธเจ้าและบัญญัตินี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรนะตั้งแต่นิยามนะการเรียกชื่อนะความหมายของมันนะ นั้นอาณาปานาสิเป็นเหตุหได้ทั้งหมดตรงนีน้และสมาธิให้ทราบว่าทั้งเก้าขั้นตอนของสมาธินี้ใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดเพราะบางครั้งเราอาจจะได้ยินสาวกพูดว่าอันปนาสมาธิเท่านั้นที่จะเป็นวิปัสสนาหรือเป็นปัญญาหรือว่าเข้าวิมุตต์ได้จริงๆไม่ใช่ ผิดตั้งแต่หนึ่งการใช้ชื่อไม่มีอย่างที่สองอปปนาทูบทั่วไปเขาเทียบกับอะไรเขาเทียบกับฌานที่4ซึ่งก็เข้าใจผิดชั้นที่สองคือคิดว่าฌานที่4เนี่ยเข้าวิมุตได้อย่างเดียวเท่านั้นจริงๆไม่ใช่ได้ตั้งแต่ปฐมฌานแล้วพระศาสดาบัญญัติไว้เองว่า เล่ากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้าง ต, ตัตยฌานบ้างจตุฌานบ้างอากาสานัญญายนะบ้างนะไล่ไปเรื่อยๆถึงสัญญาเวทิตา น, นิโรชนะใช้ได้ทั้งหมดนะตัดกับพิสูจน์ทั้งหลายทั้งสมาธิทุกท่านใช้ในการหลุดพ้นได้หมดฤสีโยคีเข้าเข้าสมาธิ หลายๆอย่างได้เช่นอากินจัญญายัตนากับเนวสัญญาอย่างอาจารย์ของผู้เจ้าอุทกดาบทอาราลาดาบทแต่เหตุที่สิ้นสวาไม่ได้ก็เพราะเขาไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นที่สุดแล้วเป็นตัวเป็นตนแต่จริงๆ สมาธิทั้งหมดก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาทั้งสิ้นนี่คือแง่มุมของมันให้โยมจับประเด็นให้ได้ด้วยพระเจ้าไม่ได้ตัดแค่นี้พระสูตรนี้ยังตัดไว้อีกยืดยาว <c oughs> บอกวิธีว่าพระองค์บอกความหลุดพ้นอย่างไร น, นี่พระองค์บอกว่าคำที่เรากล่าวแล้วว่าพิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะสายปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเรามีเหตุผลนะไม่ใช่บอกมั่วๆไม่ใช่พูดแต่ว่าเออสิ้นอาสวะได้แล้วก็ไม่บอกเหตุผลวนะ่ามันสิ้นได้ยังไงจะบอกเหตุผลว่าทำยังไงบอกภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุสงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร์มีปิติลสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแรอยู่ในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีครบหมดเลยรูปร่างกายเหล่าเวทนาสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตน ต้องตามเห็นขันห้าให้มีลักษณะอาการอย่างนี้คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ดับไปได้แตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนถ้าเห็นอย่างนี้แล้วคนคนนั้นเนี่ยหลุดพ้นได้นะเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตาานุนะว่านั่นสงบประงับนั่นปราณีตนะ นั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบประงับแห่งสังขารทั้งปวงการปรุงแต่งทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงความยึดมั่นทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานเธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณอันมีปฐมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะนะพระเจ้ายืนยันว่าทำเท่านี้อยู่ในปฐมฌาน นะอธิบายทีละอนันตั้งแต่ปฐมวชานแล้วเห็นการเกิดดับขันธ์ห้าแล้วก็บอกสิ้นอาสวะอธิบายใหม่ทุติยชาญแล้วก็บอกตามเห็นการเกิดดับขันธ์ห้าแล้วก็บอกสิ้นอาสวะลงทุนพูดซ้ำกันทีละครั้งทีละครั้งเปลี่ยนแค่ปฐมวชานทุติยชาญตติยชาญบทเป็นชนะที่เหลือเหมือนกันหมดเห็นนะยืนยันถึง <c oughs> ความที่สมาธิทุกขั้นตอนเนี่ย สามารถใช้ในการเข้าวิมุตต์ได้ทั้งหมดพร้อมทั้งพระองค์ยกอุปมาอุปไมยเหมือนกันอีกต่างหานะโดยอุปมาอุปไมยว่าเปรียบเหมือนนายขมังธนูซ้อมยิงหุ่นฟางต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกล ย, ยิงเร็วทำลายหมู่พนอันใหญ่ได้ไม่เปลี่ยนอุปมาเลยอันนี้นั่นแสดงว่าตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ตายตัวเลย ว่าเมื่อทำสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งได้แล้วก็ตามต้องตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5้านั้นต่อไปแต่ถ้าโยมขึ้นอากาสาได้แล้ววางรู ป, ปรสัญญาได้ให้ตามเห็นการเกิดดับขันธ์ทั้งสต่อไปเพราะวางรูปได้แล้วเล็กสีขันธ์ตามเห็นการเกิดดับต่อไปทำเท่านี้การตามเห็นการเกิดดับเป็นวิปัสสนาหรือเป็นปัญญาเพื่อให้รู้ว่า ธรรมชาติทั้งโปรงนั้นมีสมุทัยคือเกิดและมีนิโรธคือดับอริสสัสตีนั่นเองนะนี่อนาปานาสทธรรมก็เท่านี้นะจิตนิ่งอยู่กับลมเห็นการเกิดดับพอแล้วหลุดพ้นได้แล้วนะเปรียบเหมือนในขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปผุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้าง รูปพุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกล ย, ยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ยิงไกลหมายถึงอะไรยิงเร็วหมายถึงอะไรผู้เจ้าอธิบายไปหมด ทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้หมายถึงอะไรก็อธิบายไว้อีกเพราะฉะนั้นคําพระศัสตาทุกคำมีความหมายหมดเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยในอุปมาเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็โยงไปอีกพระสูตรหนึ่งพสูตรหนึ่งพสูตรหนึ่งอธิบายตัวนี้อีกทีหนึ่งยิงไกลเป็นยังไงยิ่งเร็วเป็นยังไงนีการยิงเร็วเนี่ยรู้อริสัตย์ยิงไกลเนี่ยรู้เนตังมะมะเนสโอมัสมินะเมโสตตาการทําลายหมู่พลอันใหญ่ได้คือการละอวิชาได้ ช่วงนี้ให้เปิดโอกาสให้ถามสักนิดนึงมีใครสงสัยอะไรมเชิญก ร, กรรมฐานใช่ไหมคว่ากรรมฐานนั้นตัวบทพระนะว่ากรรมฐานนั้นเคยตรัสอยู่แต่ความหมายไม่เหมือนกับกรรมฐานที่ใช้ความหมายอยู่ทุกวันนี้นะ <c oughs> กรรมฐานที่ใช้ความหมายอยู่ทุกวันนี้คือ บอกว่าสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานสองคำนี้ผู้เจ้าไม่เคยตรัสกรรมฐานของพระศาสดาแปลว่าฐานะแห่งการงา น, นการงานอะไรการไถาการค้าการขายไม่เกี่ยวกับการภาวนาดันั้นผู้เจ้าจะใช้คําว่าสมัฏกับวิปัสนาเท่านั้นไม่มีคําว่ากรรมฐานกรรมฐานเนี่ยโยนทิ้งไปได้เลยถ้าจะใช้ใช้กับการงานของคารวาะไม่เกี่ยวกับการภาวนาลองไปดูในตลาด <c oughs> อันนี้อาวุโสมา้าเป็นคนเจอสือคบค้นปวดพัญชนะตัวนี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดยังไงลองไปดูว่าขั้นตอนการตรวจสอบพุทธวัฒนะจะมีสี่นะขั้นตอนแรกคำที่เราสงสัยเนี่ยให้ไปสแกนใน45เล่มของบาลีสยามรัฐนิซะก่อนถ้าสแกนเจอใส่สีเขียวแสดงว่ามีแนวโน้มว่าใช่ ถ้าสแกนไม่เจอก็ไม่ใช่พุทธวจนะและโยนทิ้งไปได้ขั้นตอนที่สองเมื่อสแกนเจอแล้วเนี่ยเข้าไปตรวจดูซิว่ามีคําไทยที่อยู่ในเกณฑ์พุทธวจนะหรือไม่ถ้ามีก็เริ่มมีแนวโน้มว่าใช่ละถ้าไม่มีก็ตัดประเด็นไปได้เลยขั้นตอนที่สมีในคําบาลีหรือเปล่า เพราะบางทีเจอในภาษาไทยแต่ภาษาไทยนั้นเป็นการแต่งเติมความขึ้นใหม่ก็มีในบาลีไม่มีนะจึงต้องเช็คบาลีอีกครั้งหนึง่งส่วนขั้นตอนที่4 <c oughs> ถึงจะสรุปได้ถ้าในบาลีมีจึงสรุปว่าเป็นพุทธวจนะลองไปดูคำว่ากรรมฐานที่เราไปตรวจมากรรมฐานสะกดได้หลายอย่างอันดับแรกเราใช้สะกดกรลลอม นะใช้รอหันก่อนวิปัสนากรรมฐานใช้คำนี้เข้าไปหานะขั้นตอนที่หนึ่งมีในสีผ้าเล่มไหมมีขั้นตอนที่สองอยู่ในวลีคำพูดพระศ า, าสดาหไหมไม่อยู่ไม่มีเลยตัดออกไปได้นะเอาใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนคีย์เวิร์ดใหม่ใช้กอมันการมอ ก, ก ร, รนะกรรมฐาน ยงนี้ <c oughs> ดูในสีผ้าเล่มวิปัสนากรรมมัฐานไม่มีตัดออกไปเลยไม่เจอ <c oughs> เอามาใส่คำว่ากรรมมัฐานตัวเดียวมีไหมกรรมมัฐานตัวเดียวกองม่งกาหมอกำไม่เอารอหันแล้วเพราะรอหันไม่เจอแล้ว <c oughs> มีในสีผ้าเล่ม <c oughs> อยู่ในวลีคำพูดพระเจ้าในภาษาไทยมีไหมมีนะ ไปดูภาษาบาลีมีไหมไม่มีเอาใหม่นะ <c oughs> ก็เปลี่ยนอีกกมจุดนะมตทอนฐานลงลึกเข้าไปเป็นบาลีลึกเข้าไปอีกนะตัวดูในสี่้าเล่มมีไหมมีอยู่ในวลีคำพูดพระศาสดาไหมอยู่มีในบาลีไหมมีสรุปว่าเป็นพุทธวจนะแล้วเราเข้าไปดู ว่ากรรมฐานตัวนี้คืออะไรนะนี่ไงกรรมฐานังเห็นนะกมจุดมตอถ อ, อนอ น, นะกรรมฐานังมีนะมานวะกรรมฐานังมหัาถังมหากิจจังมหาทิกระนังมีพระสูตรเดียวเท่านั้นนะร่างนั้นไม่มีที่เป็นพุทธวจนะแล้วไปดูซิภาษาไทยปแปลว่าอะไรดูก่อนมานพ ฐานะแห่งการงานนี่ตัวนี้แปลว่าฐานะแห่งการงานมีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากอาธิกรารนังเมื่อกี้ตรงกันเล่มข้อหน้าเดียวกันบรรทัดเดียวกันแปลตรงกันมาอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเป็นการงานของอะไรการไถาการค้าการขายเห็นนะเป็นลักษณะการงานของขราวา่าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาเพราะนั้นคำว่ากรรมฐาน ที่นํามาใช้กับการภาวนานี้โยนทิ้งไปได้เลยนะ <c oughs> ที่มาที่ไปเพราะฉนั้นถ้าจะพูดก็เลยยาวนิดหนึ่งในการสืบค้นในแต่ละข่าวนั่งสืบค้นกันเป็นคืนๆเพระสูตรออกมาเป็นร้อยๆพระสูตรกว่าจะแยกแยกแยกออกไปให้เหลือแต่พุทธวจนะในพุทธวจนะต้องเทียบกับไปบาลีเทียบกับไปกลับมากว่าจะเจอแต่ละคําไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะนั้นเนี่ยคือความสับสนของการที่ สาวกไปบัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่ทำให้เรายุคนี้ต้องมานั่งเขียนั่งแกะนะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่และทำให้เราในยุคนี้เกิดความสับสนว่าอะไรคือคำศัสราอะไรไม่ใช่นะ่ะเหมือนกับคำว่ากรวดน้ำเราก็กรวดน้ำกันมาตลอดเลยแล้วตกลงพู้เจ้าสอนกรวดน้ำไหมโยมสอนไหมไม่รู้ ชาวพูดตามเถียนบ้านไม่ว่ากันพ่อพาก็ไม่รู้นะเราก็คีคำว่ากรวดน้ำนะกรวดน้ำกดค้นหาไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพระธรรมปกบาลีเสียมรัฐเห็นไหไม่มีนะแสดงว่าศาสดาไม่ได้บัญญัติไม่รู้ใครบัญญัติหาตัวได้ไหมโยมก็ไม่รู้นะหาตัวไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ใครบัญญัตินี่ ปัญหาของการบัญญัติใหม่เยอะมากเลยการบัญญัติฮะการที่เราทำปัจจ uh ุบันยมต้องต้องถามยมว่ายมกวดน้ำเพื่ออะไรหรือว่าให้พื้นมันเปียกเล่นต้องการแผ่เมตตา ถ้าต้องการแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลผู้เจ้าตัดไว้กับวาเสถ่ะให้เตรียมจิตไม่ได้เตรียมน้ำเตรียมแก้วนะไปดูการเตรียมจิตนะวาเสถทะเมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณทั้งห้าเหล่านี้ที่ตนละได้แล้วเห็นไหมโยมต้องละนิวรณ์ห้าหรืออกุศลวิตกคือการพฏิบาทเบียดเบียนนะปิติเกิดสุเกิดจิตตั้งมั่นเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตา ย่อมแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งสองสามสี่ก็เหมือนอย่างนั้นเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องตามเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาเป็นจิตไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจํากัดแล้วลายอยู่วาเสตถะเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดเมตตาเจโตมุตก็เหมือนกันนะ บอกอย่างนี้โยมมีหน้าที่เตรียมจิตไม่ใช่ไปเตรียมน้ําเตรียมแก้วนะวิ่งหาน้ําหาแก้วนะลืมเตรียมใจให้ปราศจากอากุศลคิดฟุ้งซ่านไปทั่วเอาน้ําลดไปเรื่อยนะนึกว่าสําเร็จประโยชน์แล้วไม่สำเร็จประโยชน์เพราะโยมไม่มีเจตนาที่จะทําเลยนะเพราะไปคิดว่าความสําเร็จไปอยู่ที่น้ํากับแก้วซะแล้วซึ่งไม่เกี่ยวกันเลย นั้นจริงๆแล้วโยมต้องการแผ่เมตตาทิดบุญกุศลโยมต้องทําสมาธิต้องเตรียมจิตโยมให้ปราศจากนิวรณ์หรืออกุศล3อย่างการไพบาทเบียดเบียนแล้วถึงตั้งเจตนาที่จะแผ่เมตตาไปอาจารย์มามันถึงจะสําเร็จประโยชน์เพราะนั้นเห็นไหมการบัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยโยมมันทําให้เกิดข้อผิดพลาดความเสียหายขึ้นทําให้เกิดการเบี่ยงเบนออกไปถึงหลักความจริงที่ศาสนาได้เคยบัญญัติเอาไว้ กลับไปที่พุทธวจนะที่ศาสดาบรรยะประเด็นอื่นมีไหมคำถามรารักษาสินกี่ข้ออยู่ สองรอยิบเจ็ดเรียนมากระทรวงเดียวกันจะตอบเหมือนกันไปดูใหม่นะเราลองคีย์คำว่าสิกขาบทสองสองเจ็ดเดี๋ยวนี้ตรวจง่ายวินาทีเดียวสิกขาบทสองสองเจ็ดคีย์เข้าไปแล้วกดค้นหาไม่พบคำว่าสิกขาบทสองสองเจ็ดนะเปลี่ยนตัวเลขใหม่ไหมนะเป็นหนึ่งห้าศูนย์นะ กฎค้นหานข้อมูลขึ้นมาแล้วเราลองดึงข้อมูลขึ้นมาบาลีสยามรัดเล่มที่ยี่สบสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสองอังคุตร ะ, ะนิกายเสคาสูตรที่สี่หัวข้อที่ห้าร้อยสิบแปดดูก่อนพิษูุทั้งหลายสิกขาบท1้อยห้สิบท่วนนี้ย่อมมาสู่เทศทุกึ่งเดือน <c oughs> มีสิกขาบทหนึ่งร้อยห้าสิบท่วน ต้องนํามาสวดทุ ก, กึ่งเดือนของภิกษุแต่พระรักษาแค่ร้อยห้าใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นสิกขาบทสําหรับสวดทุ ก, กึงเดือนร้อยห้าแต่สิกขาบททั้งหมดของพระมีอะไรไปดูนี่คือข้อมูลทั้งหมดของศีลของพระเยอะแยะมากมายนี่คือการแปลของทุกสํานักในประเทศไทยการแปลของต่างประเทศสิกขาบท ทั้งหมดสระบบลองไปดูสิกขาบททั้งสามระบบสอง0ันรอยกว่าข้อนะที่พระต้องรักษาสิกขาบทจะมีสามกลุ่มกลุ่มแรกจะมีสาม้อยหูสสามข้อโดยประมาณกลุ่มที่ 2, สองศาสดาบัญญัติร้อยห้สิบทวนกลุ่มที่สามมากกว่า 1,940 ้า้อยสี่สิบข้อมีเหตุผลในการบัญญัติทั้งหมดนะ ต้องรักษาทั้งหมด 2,400 กว่าข้อมากกว่านี้แต่นำมาสวดแค่1้0าเพราะเป็นสิกขาบทอันเป็นเบื้องต้นแห่งปรมาจารย์สำคัญอันนี้เห็นไหมว่ามันเข้าใจผิดหลายชั้นนะนั้นข้อมูลนี้มาจากไหนข้อมูลนี้มาจากบ า, าลีสามรัฐหลักฐานเก่าที่สุดในประเทศไทยบ า, ยาลีสามรัฐราชกาลที่ห้า ขอให้พระสงฆ์ทั่วประเทศในยุคของท่านเนี่ยแปลาจากอักษรขอมที่จาร์ลงในใบลานมาเป็นอักษรสยามนะี้าเล่มตัวนี้นะรอหคิดเองหรือเปล่าไม่ใช่ในใบลานที่จารด้วยอักษรขอมเก็บมาจากราชการที่หนึ่งรอ1คิดเองไมมไม่ใช่เอามาจากยุคล้านนา และล้านนาเอามาจากยุคทวาราวดีทวาราวดีได้รับการถ่ายทอดมาจากครั้งพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณสองรปีหลังผู้เจ้าปริณิพานพระเจ้าโศกเฉียดกับผู้เจ้านิดเดียวพระเจ้าโศกมหาราชศรัทธาพระศาสดามากนะทรงสมณทูตไปก้าวสายกระจายคำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทั่วโลกที่หนึ่งก็มาในสุวรรณภูมินะ เราก็เลยได้บันทึกเอาไว้นั้นศาสนาพุทธเนี่ยตกทอดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วนะอย่าไปบัญญัติความเชื่ออะไรใหม่ๆนะเป็นสิ่งที่ศาสดาบัญญัติและมีตัวตนจริงมีคนช่วยกันทรงจำคำศาสดาของเราและถ่ายทอดบันทึกตกทอดกันมา 2,000 กว่าปีสาหินณโสก็มีอยู่ในปัจจุบันนะถ้าโยมไปที่อินเดีย จะเห็นเสาหินโศกตรงนี้เรียกอักษรพราหมีภาษาปราจีตนะเป็นต้นกําเนิดของอักขละอินเดียในปัจจุบัน <c oughs> พระเจ้ า, าโศกก็เอามาจากที่พระละหันทั้งหลายเนี่ยช่วยกันทรงจําคําพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจําและถ่ายทอดทางปากเล้มุกปาถะถ่ายทอดทางปากต่อไปนะเมื่อมีการลงอักขละก็มาลงอักขลากนะพระเจ้ า, าโศกก็เก็บไว้ นืมในเสาหินตรงนี้นะการเก็บอักล า, า, ราตรงนี้ไม่ใช่เจอแต่ในอินเดียเท่านั้นนะข้อมูลนี้ยังยืนยันว่าคำศาสดานั้นกระจายไปทั่วโลกที่อัฟกานิสถานก็เจอเจอด้วยการจานลงในใบลานเหมือนกันนะตรงนี้ สถานที่ที่พบนะถ้ำอยู่ในถ้ำนี้นะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงอย่างนี้นะแล้วนำมาต่อทีละชิ้นนะนำมาต่อจนเป็นแผ่นอย่างนี้นี่จนแปลออกมาว่าไอ้ที่เลียงกันไว้แปลว่าอะไร อริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคาหทางเป็นอย่างไรเล่าข้าพเดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุลาและเมลยัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบในการเที่ยวตามตรอกซอกในเวลาวิการเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการพนันคบมิตรชั่วความเกลียดคร้านมีคนคนหนึ่งเมื่อสองพันกว่าปีสอนเรื่องนี้มาแล้ว นะถูกเก็บบันทึกไว้ในใบลานนี้นะ <c oughs> ที่เขาอัญเชิญมาเนี่ยมาประเทศไทยเนี่ยอันนี้แหละนี่แหละแต่เขาให้มาชิ้นนิดเดียวนะอืม <c oughs> ไม่ได้ให้มาเยอะอย่างนี้นะเอามาพอเป็นตัวอย่างนะ <c oughs> เห็นไหมว่าที่เราเรียนกันเน่ะนั่งเรียนกันน่ะแต่ก่อนเนี่ยนะหน้าที่พลเมืองหน้าที่ศีลธรรมเอามาจากคำสอนพระศาสดาทั้งสิน้นนะ หลักความดีต่างๆเสาหินโศกก็ตรงในอัฟกานิสถานก็ตรงในประเทศไทยก็มีเหมือนกันพันกว่าปีที่แล้วเจอที่ลบบุรีและเพชรบูรณ์แกะสลักลงในก้อนศิลาเหมือนกัน น, นี่คือก้อนศิลาที่ลบบุรีอักษรปันลวะวภาษาบาลีหลักศิลาจารึกพุทธศตวตรรษที่12บสอง เนื้อหาสลายยตนาปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเห็นไหมปฏิจจสุบาทพูดกันมาเป็นพันๆปีแล้วอยู่นั้นถึงบอกว่ายาบัญญัติอะไรเองนะนะเดี๋ยวนี้บัญญัติขวดน้ําคณิกะอุปจารัปนาบัญญัติโสรตยานยานสิบหอะไรแต่อะไรไม่รู้ไม่มีเลยนะปรุงแต่งนะนี่ที่เพชรบูรณ์นะ ก้อนศิลาเหมือนกันอักษปรปารวะภาษาบาลีเพชรบูรณ์เกี่ยวกับปฏิจจสุบาทเหมือนกันนะเพราะดับเวทนาตัณหาก็ดับอย่างนี้ประเทศไทยก็มีเห็นไหมนั้นโดยหลักฐานที่สมบูรณ์กว่านี้ก็คือในไบลานที่จารด้วยอักษรขอม แต่ก่อนทรงจำถ่ายทอดทางปากพระเจ้าโศกสลักในเสาหินนะราชกาลที่1เขียนลงในใบลานรอห้าเอามาทำเป็นหนังสือครั้งแรกในโลกแจกจ่ายไป2อ0กว่าแห่งทั่วโลกนะราชกาลที่ห้าทำในหนังสือราชกาลที่9้าทำลงในซดีแผ่นนี้เห็นไหมอ่าง่ายไหม กดคลิกแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บข้อมูลขึ้นคนดูได้พร้อมกันเป็นร้อยเป็นพันคนนะอาจารย์คลิสติก็เอามาใส่ลงในมือถือของทุกคนนะเขียนโปรแกรมเข้าไปในมือถือของทุกคนได้แล้วใครใช้มือถือเอ c s ซ m s ั n g iMobile w e l ว o m e นะโมอเตร ล, ลระบบของ a อ d ดร i d ได้หมดนะ อย่างตัวนี้เป็นแท็บของซ m s u n g ก็ได้นะนเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> นี่ยมจะได้อ e ีเตปิตกะตรงนี้ขึ้นมาแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งบรรจุ ข, ข้อมูลในเสาหินโศกนั่นแหละนะบาลีสยามรัดได้ไหมกดคลิกเข้าไปปุ๊บนะข้อมูลจะขึ้นมาพระไตรปิฎกอยากดูอะไรนะต้องการอ่านค้นหาภาษาไทยภาษาบาลีวินยัยปิฎกนะสุตตันตปิฎก อภิธรรมปิดกนะนะมีหมดวินัยปิดกมีกี่เล่มแปดเล่มนะดูได้ตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มที่แปดสุตตันตปิดกเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่ยี่สิบห้านะอยากดูเล่มไหนนะนะเราใส่ทั้งก้อนของบาลีสยามรัดเข้าไปเลยนะและที่สำคัญคือมันสแกนตรวจหาได้นะตรวจหาคำได้ ยมพีเขามากดน้ำยางไงปุ๊บไม่เจออมันชัดเจนอ่ะไม่มีใครหลอกยมได้เลยนะอ่า <c oughs> เห็นไหมกดข้อมูลอ่านขึ้นไปเนี่ยนะเลื่อนอ่านไปเรื่อยเรื่อยนะตรงนี้ขยายตัวอักษรตรงนี้เลื่อนหน้านะถ้ายมต้องการเทียบเคียงอะเทียบเคียงหัวข้อที่หนึ่งนี้นะกดเมนูตรงนี้นะเมนูขึ้นมาเทียบเคียงสลับภาษาจดจําต้องการอ่านอันไหนต้องการเทียบเคียงปั๊บ บาหลีขึ้นมาเลยเป็นภาษาบาลีแล้วเห็นนะง่ายง่ายดีดนิ้วปุ๊บมาเลยอือ่ากลับมาเป็นภาษาไทยต้องการสืบค้นไหยกดตรงนี้แว่นขยายแป้นพิมพ์ขึ้นมาให้อสงสัยอาณาปานสติมีไหมอาจารย์คึกฤทธิ์มาสอนอาณาปายมจิ้มเลยกดอาณาปาอายอมก็กดค้นหาตรงนี้ปั๊บ นะต้องการตรวจสอบอันไหนกี่ปีดกนะให้เลือกนะเลือกเสร็จแล้วกดตกลงตรงนี้ <c oughs> มันสแกนให้แล้วอนณาปา่าเจอกี่หน้านะักี่พสูตรจะสรุปให้เสร็จนะสแกนไปครบสี่ผ้าเล่มปับ๊บผลลัพธ์เกิดขึ้นมาค้นเจอทั้งหมด นะห้าสิบเอ็ดหน้านะขีพสูตรอยู่ในวินัยปิฎกขีหน้าขีพสูตรสุดตันตากีหน้าขีพสูตรอภิธรรมขีหน้าขีพสูตรนะข้อมูลจะขึ้นมาให้หมดต้องการดูข้อมูลก็จิ้มเข้าไปนะปับ๊บนะเนื้อหาก็จะออกมาทรงแสดงอาณาปานาสิเห็นนะอ่าดูก่อนภิกษทุทั้งหลายนี่อยู่ในวลีคําพูดพระศาสดา แม้สมาธิในอาณาปานสินี้แหละอันพิสุอบรมทำให้มากแล้วเป็นยังไงเป็นงไงนเร็วไหมนะอันนี้ระบบของแอ d ดรอ d ดนะอันนี้เป็นระบบของแอปเปนะใครใช้ iPhone, iPod, iPad นะกะ็เข้าไปในอันนี้นะ ถ้าโยมเข้าไปใน a อ p Store นะก็จะโหลดตัวนี้เข้ามาได้อีเตปิตกักดปั๊บนี่พระตะบิดกจะขึ้นนะเลื่อนดูได้นะเลื่อนดูไปเรื่อยๆเนาะสืบค้นได้นะเหมือนกันนะต้องการสืบคน้นนะโยมก็กดที่ตรงนี้ น, ะนี่แป้นพิมพ์ขึ้นมาแล้ว ป็น้นพิมพ์มขึ้นมาแล้วก็คีย์คำที่สงสัยเข้าไปนะแป๊บเดียวสองสามวินาทีได้เหมือนกันนะเท่ากับตอนนี้เนี่ยคำพระศาสดาเนี่ยอยู่ในมือโยมแล้วคำสอนทั้งหมดไม่มีใครโกหกเราได้พระก็โกหกเราไม่ได้เพราะพระก็เป็นผู้ทรงจำมาจำผิดหรือจำถูกแค่นั้นเองนะแล้วเราก็ไปปฏิบัติกันตามที่ศาสดาบัญญัติ อย่างพลารับเงินทองปั๊บเนี่ยโยมก็กดเลยเออผู้เจ้าบอกว่าอันหนึ่งภิกษุดใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือ ย, ยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้กรดีเป็นนิสกยาปาจิตติบอกท่านรับไม่ได้นะครับเป็นอวบัตปาจิตติเงินทองจะเป็นนิสกีนะต้องสลัดทิ้งทถ้ำกลางสงอ่าเห็นนะพระขยับตัวยากเลยทีนี้เพราะโยมเป็นผู้ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเห็นนะ นิสกีปัจจิตีโกศิยวัคสิกาบทที่8โยปนิพกูจาตารูประลัชะตังอุกันเหนยุวาลกนนาปยุบาลอุปนิขิตังวาสาไดยยะปาจิตติยังก็คืออันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสกียาปาจิตติถ้าพระรับเงินทองตัวพระต้องอาบาัตปัจจิตติเงินทองเป็นนิสกีต้องสละทิ้ง วิธีใช้เงินทองการรับเงินทองของพระต้องให้ไว้กับว ย, ยาวัจกรผู้ทํากิจธุระแทนสงฆ์ผู้เจ้าอนุญาตให้ภิกษุเป็นคนชีว้ว ย, ยาวจกรถ้าโยงเงินมาถวายปั๊บเนี่ยพระต้องปฏิเสธแล้วถ้าข้อถามว่านะเงินทองนี้จะสําเร็จประโยชน์ได้อย่างไรต่อจะมีใครเป็นคนจัดการแทนได้ไหมพระถึงจะชี้ได้ถ้าเขาไม่ถามก็อย่าไปขยันบอกก็เฉยๆไว้เขาก็อาจจะเก็บเงินต่อ นะแล้วก็ อ, อดไปใช่ไมอ่าแต่ถ้าเขาถวายมาปั๊บเนี่ยเราบอกปฏิเสธ <c oughs> ปฏิเสธแล้วเขายังขวนขวายต่อว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะอ่าเงินทองนี้ถึงจะสำเร็จท่านมีใครทำธุระแทนให้ท่านได้ไหมอ่าถ้าบอกอย่างนั้นพระชี้ได้นะพรเจ้าก็บอกให้ชี้วิยาวจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นวิยาวจกรของพิสุ์ทั้งหลายนะ ให้แสดงพึงแสดงชนผู้ทำการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวยาวัจกรด้วยคาว่าคนนั้นแหละเป็นวยาวัจกรของพิสุทั้งหลายนะถ้าคนทำการในอารามจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ได้ถ้าไม่ใช่คนทำการในอารามให้ชี้เฉพาะอุบาสกนะจะอยู่ในสินปฏิโมกตร้อยห้าสิบนั่นแหละในนิสกีข้อที่สนะิบข้อนี้ยาวมาก ผู้จ่าอธิบายตั้งแต่พระราชาส่งทูตมาเอาเงินไปให้ทูตเอาเงินมาให้ทูตแล้วบอกว่าเอาเงินก้อนนี้นะไปทําจีวรให้กับพิสุพอทูตมาถึงพิสุแล้วเนี่ยทูตมัดันไม่ทําจีวรให้พิสุแต่ดันเอาเงินมาให้พิสุพิสุก็เลยปฏิเสธพอทูตบอกว่านี่ทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวร น, นํามาเฉพาะท่านขอท่านจงรับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวร น, นั้นนะพระต้องตอบยังไง พวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรไหมพวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของคนโดยการเห็นไนหะต้องปฏิเสธนะไม่ใช่รับไปฟับเลยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นต้องปฏิเสธจากนั้นเนี่ยทูตก็จะถามว่าก็ใครๆผู้เป็นวายาวัชกรของท่านมีหรือภิกษุต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวายาวัชกรด้วยคําว่าคนนั้นแหลเป็นวายาวัชกรของภิกษุทั้งหลาย เมื่อชี้แล้วเนี่ยทูตนั้นก็ไปสั่งวายาวัจกรเอาเงินเข้าไปให้สั่งว่าให้ทำจีวรให้กับพิสูจนด้วยนะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกลับมาก็มาบอกพิสูนว่าคนที่ท่านแสดงเป็นวายาวัจกรนั้นข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจักให้ท่านครองจีวรตามการเมื่อพิสูจน์ต้องการจีวรเข้าไปหาวยาวักรแล้วพึงทวงพึงเตือนสองสาครั้งว่ารูปต้องการจีวร ถึงเวลาและวจีวอนอาตมาขาดอาตมาก็เข้าไปทวงวา ย, ยาวัจกรรูปต้องการจีวอแล้วภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่2อถึงสครั้งยังวา ย, ยาวัจกรนั้นให้จัดจีวอนสำเร็จได้การให้สําเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าให้สําเร็จไม่ได้ทํำยังไงทวงสามรอบแล้วไม่สําเร็จถ้าสําเร็จได้ก็จบไปถ้าไม่สําเร็จทํำยังไงผู้เจ้าบอกว่าพึงเข้าไปยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้งห้าครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมาก พระเข้าไปยืนนิ่งต่อหน้าอาตมาก็ไปยืนนิ่งกันหน้าโยมให้โยมนึกได้เองห้ามพูดยืนนิ่งแล้วหกครั้งโยมก็เชยนะไม่ทำอะไรโอ้ทำไงดีวันนี้นะูุเจ้าบอกว่าถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวร น, นั้นให้สำเร็จทุกปลาบปลาเองนะเช่นไปยืนนิ่งหครั้งแลชักลําคานแล้วด่ามันซะเลยเข้าละอายก็ทาให้ทำจีวรให้นะ พระเจ้าปรับอาบัตพระนะแล้วห้ามใช้จีวร น, นั้นด้วยประเด็นสำคัญคือการสืบคน้นเป็นการทำให้หลักมหาประเทศสี่ที่ศาสดาบัญญัติถูกใช้ขึ้นมาอย่างจริงจังนะแล้วก็ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วแต่ก่อนโยมจะค้นคำว่าสมมุติว่าเอ๊กวดน้ำมีในพระไตรปิฎกหรือเปล่าใช่มโ <c oughs> ยมก็ต้องไปเปิดเนี่ย ของมหาจุฬาอย่างเนี้ยเล่มหนาๆอย่างเนี้ยสีบ้าเล่มหมดแรงก่อนไหมหมดแรงก่อนเผล อ, อหาไม่เจอตาลายหรือไม่ก็หลับก่อนนะแต่ตอนนี้โยมวินาทีเดียวกดเข้าไปกดปึ้งวินาทีเดียวได้แล้วใช่ไหมเร็วหลักมหาประเทศสคือหลักที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้เพื่อใช้ในการเทียบเคียงว่าอะไรคือคําศาสดาอะไรไม่ใช่นะ อะไรไม่ใช่ก็ตัดไปอะไรใช่ก็ดำรงไว้นะนั้นเวลาใครพูดอะไรมาแล้วเนี่ยยงอาตมาพูดก็อย่าพิ่งเชื่อเวลาใครพูดอะไรมาแล้วศาสดาบอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงตัดค้านโยมอย่าพึ่งเชื่อหรืออย่าพึ่งไม่เชื่อกำหนดเนื้อความให้ดีนะจำให้ดีนะเขาพูดอะไระจากนั้นแล้วเนี่ยเอาไปตรวจ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 หลักการนี้ไม่เคยถูกนำมาใช้เลยเพราะว่าตรวจยากโยมไปนั่งเปิดสี่สิบห้าสิบเล่มนี้ไม่ไหวนะแต่ถ้าโยมมีอุปกรณ์ณนะวันนี้วินาทีเดียวโยมมีกำลังใจในการตรวจเข้าใจมแหว่งต่อไปไม่ต้องปวดน้ำใช่ไหมถูกต้องไม่ต้องปวดเลยนะแล้วแล้ว อ๋อโยมไม่ต้องอ้างอิงอาตมาเลยอ้างอิงศาสดาโยมเลยนะเพราะอาตมาเนี่ยนะเป็นแค่ผู้เดินตามพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอเป็นใครสาวกทั้งหลายถ้าใครเขาถามเธอว่าเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะสมณะในศักยะตระกูลบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะในศักยะตระกูลเราเป็นโอรสอันเกิดจากปากของพระองค์ พระองค์พูดศาสนีคือคำบอกสอนนะบัญญัตินิรุตติภาษาแล้วเราเดินตามจำมาไปปฏิบัติให้ถึงมรรคถึงผลเข้าใจัหมนั้นอ้างศาสดาอ้างพระผู้มีพระภาคเจ้ารู้ได้ไงตรวจได้ครับชัก iPad ขึ้นมาเลยกดปึ๊บหาสแกนวินาทีเดียวไม่มีใครเถียงยมได้เข้าใจไห <c oughs> <c oughs> เห็นมนี่นะเมื่อถูกเขาถามว่าพวกท่านเป็นใครพวกเธอก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสักยะปุตติยะสักยะก็คือตระกูลของพระเจ้าศากยะปุตติยะก็คือบุตรนั่นเองนะสมณะเป็นคำกลางกลางนะก็คือตัวภิกษุนะสมณะผู้สงบนะในสักยะนะเป็นบุตรนะเห็น้ะเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นธรรมทายาทเป็นทายาทโดยธรรมเห็นไนหะม <c oughs> นั้นเวลาเราทำบุญเสร็จแล้วนะใครอยากจะแผ่มเมตตาทิศบุญกุศลก็ทำ ใครลืมก็ไม่เป็นไรแล้วอยากจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้จํากัดว่าต้องเวลานั้นเวลานี้ต้องหลังจากไซบาตแล้วนะเลยไปกว่านั้นสองนาทีสองวินาทีไม่ได้อะไรอย่างเนี้ย ไ, ไ, ไ, ไม่มีบัญญัตินะอ่าโยมจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ทําเมื่อจิตโยมปราศจากนิวรณ์หรืออกุศลเป็นจิตที่พร้อมในการแผ่เมตตาแล้วพระุทธเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะระบูเจตนา นะบอกภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเห็นนะเจตนาเป็นตัวกรรมยอยู่เพราะนั้นเวลา ส, สืบค้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเปิดหนังสืออย่างนี้หลายๆหน้าแล้วนะเราก็กดพินาทีเดียว นั้นอาตมาจึงว่าเป็นโชคดีของยุคนี้ที่เทคโนโลยี <c oughs> ได้เข้ามาช่วยเราทำให้หลักมหาประเทศสี่ของพระศาสดาเนี่ยถูกนำขึ้นมาใช้ตรวจสอบอย่างจริงจังเ <c oughs> พื่อที่จะเคลียรคำที่พระองค์ไม่เคยพูดทั้งชีวิตออกไปก่อนนะคณิกาอุปจาระอปนาโสรยานยาน16อารองคียาน16เข้าไปสิโสรยานยาน16ใช้กันเยอะเหมือนกัน ก็คีย์คำว่าโสรดยานกดค้นหาไม่พบคำว่าโสรดยานในก็จะไปบอกปาลีสยามรัฐเห็นนะ <c oughs> ปวดน้ำแปดหมืนสี่พันพัมาขันก็ไม่มีนะอ่าคีย์คำว่าแปดหมืนสี่พันพัมาขันกดค้นหาตรงนี้นะไม่พบนะ ห้าพันปีบอกอายุศาสนาห้าพันปีก็ไม่มีน ะ, <c oughs> ะไม่พบคำว่าห้าพันปีเห็นะหนิยมอยากจะตรวจอะไระ่ะก็ตรวจได้ทุกเรื่องเช่นการทำบุญแบบไหนที่จะได้บุญมาก <c oughs> รักษาศีลได้บุญไหมได้ ทำทานได้บุญมะมได้นั่งสมาธิได้บุญมะมได้ได้บุญทั้งนั้นน่ะอะไรได้มากกว่ากันทำสมาธิน่ะผู้เจ้าเกิดเป็นพรามชื่อเวลมะพราะองค์แจกถาดเงินถาดทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันอ้ามารับถาดทองไปเอาไปเอาไปพระองค์บอกพรองคนึกว่าได้มาหาทานชั้นเลิศครั้งนั้นแต่ไม่มีทักคือเนยยะมาเป็นผู้รับทานเลย บุคคลผู้สําควรรับทานตรองบอกว่าสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้เริ่มเปรียกเทปแล้วนะนั้นโยมให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบันร้อยองค์สู้ให้กับพระสกัทาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระสกัดทาคามีร้อยองค์สู้ให้กับพระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระอนาคามีร้อยองค์สู้ให้กับพระหลานองค์เดียวไม่ได้ ให้กับพระหลานร้อยองค์สู้สร้างกุฏิวิหารครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุฏิวิหารร้อยครั้งสู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งสู้ทําสมาธิครั้งเดียวไม่ได้ไ เ, เลือกเอาใครจะหยิบเหรียญสลึงใครจะเก็บแบงค์พันเอาเลือกเอานะสมาธิเป็นกรรมหรือเป็นการกระทําที่ทําแล้วการกระทํานั้นจะส่งผลในปัจจุบัน โยมอยากให้ผลดีเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีให้ทําสมาธิ8ระดับนะเป็นกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมอนันตริยกรรมห้าเรารู้จักแต่กรรมฝ่ายเลวห้าอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหลานทำผู้เจ้าให้หอเลยทําำสงให้แตกแยกแต่กรรมฝ่ายดีไม่ค่อยมีใครบอกโยมนะว่าทํากรรมฝ่ายดีอะไรที่จะส่งผลทันทีในปัจจุบันนะ พระภัยบณ์เป็นคนไปเจอตรงนี้จากที่วัดป่าดอนไหนโศกนะอยู่ในกลุ่มผู้เผยแผ่พุทธวจนะของเราเหมือนกันท่านก็ไปสืบค้นมาปรากฏว่ากรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทิฏฐธรรมไปว่าปัจจุบันนะในเวลานี้หรือในทันทีทันใดคือการทำสมาธิแประดับตั้งแต่ปฐมฌานถึงเนวสัญญาณสัญญาญตนะ <c oughs> นั้นถ้าใครอยากได้ผลเร็วนะทสมาธิแล้วตั้งจิตอธิษฐานเอาอีกนัยะหนึ่งถ้าโยมอยากได้ผลในปัจจุบันทันทีเธอปรารถนาอะไรเอกลัปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตยศต้องการให้คนรักต้องการมียานอย่างลู้ดีตยานอย่างลู่นาคคสินอสวะอะไรก็ได้ในโลกนี้ถ้าโยมต้องการ ผู้เจ้าให้ทำา4อย่าง 1. ทําศทำสินให้บริบูรณ์ให้เป็นผู้บริบูรณ์ในสิน 2. ไม่เหินห่างจากฌานชานหนึ่งสองสามสีทำไม่มาก 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา 4. ให้สุญญาคลาวารงอกงามเถิดคืออยู่ในเรือนว่างวิเวกหลีกเล้นบ้างสุญญาคารเรือนว่างหรือที่ว่างจากผู้คน โยมทำสข้อนี้ลองทำดูสิชีวิตเรานึกคิดอะไรเดี๋ยวจะได้มาเดี๋ยวจะได้มาค่อยๆได้มาเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งดูถูกภูมิปัญญาพระาศาสดาลองไปทำก่อนนะอ่าแล้วจะเห็นผลตามนั้นนะลองดูสิว่าความเป็นสัพพัญญูของพระาศาสดานั้นนะตรวจสอบได้จริงไหมนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐาน อยากได้อะไรยมลองทำนะยมทำสมาธิบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอจะเห็นเลยว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปอุปสรรคจะน้อยปัญหาในชีวิตจะน้อยนะคิดอะไรเดี๋ยวได้เดี๋ยวสำเร็จมันราบลื่นไปหมดในชีวิตนะ <c oughs> นั่นนี่คือวิธีทางออกงั้นใครที่ชีวิตมันอับเฉาเหลือเกินรู้สึกว่าแหมมันแย่นะ <c oughs> นั่งสมาธิเลยรักษาสินให้ดีสินห้าเห็นความไม่เที่ยงวิปัสนาคือเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาแล้วก็วิเวกหลีกเล่นบ้างเ น, นี่ยต่มานอกจากทาในมือถือแล้วก็ทาในนี้ด้วยทาเป็นหนังสือด้วยหนังสือพุทธวจนะคำพระศาสดาล้วน มีส3สามเล่มนะเล่มขนาดนี้ส3สิบสามเล่มและมีทั้งภาษาบาลนะีและภาษาไทยบาลีหน้าไทยหน้านะตรวจสอบความถูกต้องได้ ท, ทันทีบาลีหน้าไทยหน้าคู่กันตลอดกําลังใกล้จะเสร็จ <S <s เสร็จไปแล้วประมาณเจ็ดแปดเล่มนะ ข้อมูลภาษาไทยเสร็จแล้วเหลือการเทียบเคียงบาลีนะแล้วก็ทำมาเป็นเล่มเล็กๆอย่างนี้นะถ้าโยมต้องการย่อยง่ายๆนะพกพาสะดวกก็อเอาเล่มเล็กๆอย่างนี้ นั้นในนี้จะไม่มีคําอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่มีเพราะนั้นถึงบอกไม่ต้องป บ, บอกอาจารย์คึกฤทธิ์เลยบอกพระาศาสดาอานาปานสติทุกอันก็เป็นพระสูตรเป็นพุทธวจนะทั้งสิน้นะอาจารย์คึกฤทธิ์ประพันธ์เองไม่ได้นะบัญญัติอะไรใหม่ไม่ได้นะพูดตามพระพุทธเจ้านะอยากจเจริญอานาปานะอยากแก้กรรมไหมนะแก้กรรม แก่กรรมกำลังคิดอาตมาก็ออกหนังสือมาสู้กับเขาเหมือนกันแก้กรรมโดยพระตถาคตนะในนี้จะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับการแก้กรรมที่ศาสดาบัญญัติเอาไว้นะวิธีแก้กรรมอย่างเดียวจําง่ายๆนะมักมีองแปดคือวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องวิธีเดียวเท่านั้นไม่มีวิธีอื่น ผูเจ้าบอกว่าอริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเองคือกรร ม, มนิโรธคาไม่นีปฏิปทาปฏิปทาถึงความสิ้นกรรมมักแปดไม่มีวิธีอื่นนะจะไปชยันโตจะไปบางสกุลเป็นตายจะเอาพ้าขาวคุมนม้ำลดตัวนอนในโรงอะไรแก้ไม่ได้โยมไม่สะกิดผิวกรรมเลยนะกลับมาก็กรรมมีเหมือนเดิมนะโยมไปนั่งทาแล้วกรรมก็เท่าเดิมนะ ไม่ได้ถูกรดไปเลยนะแต่ถ้าโยมอยู่กับบ้านง่ายๆเจริญอาณาปานสตินั่งสมาธิกําหนดจิตให้ปราศจากอากุศลเห็นการเกิดการดับขันธ์หกรรมลดลงไปทุกขณะแห่งการกระทำนะพึ่งตัวเองได้เห็นไหมไม่ต้องไปพึ่งหมอเหมออะไรเลยนะไม่ต้องไปพึ่งใครใครก็ช่วยโยมแก้กรรมไม่ได้ตัวเขาก็เป็นไปตามกรรมตัวเขาเองยังเอาไม่รอดจากกรรมเลย นะยังเอาตัวไม่รอดเลยใช่ไหมะจะไปพึ่งใครเราต้องพึ่งคนที่เอาตัวรอดจากระบบของกรรมได้แล้วคืออรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นจากสังสารวัตรแล้วแล้วมาบอกหนทางของเรานะให้เราเดินตาม <c oughs> อยากเป็นโสดาบันไหมนี่คู่มือโสดาบันสี่สกว่านยยะ สินห้าบริบูรณ์ไม่หวั่นไหวในพระลัตนะไตรสองคุณสมบัตินี้ถ้าใครมีให้พยากรตนและตนนั่นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนะหรือยังไม่ค่อยอยากเป็นอยากต่อแต่ต่อแต่ไปก็เอานี้คารวะชั้นเลิศนะคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบรวรชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายในโลก สี่อย่างเองหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคับทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันพกทรพย์บํำเพ็ญบุญไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพกทรพซ์เหล่านั้ น, นสี่ฐานะนี้ใครทำได้ครบเธอเป็นคลรวาชั้นเลิศในโลก <c oughs> อยากดูจิตไหมดูจิตนี่ ดูจิตตามที่พระศาสดาบัญญัติหกสิบกว่าพระสูตรจะเห็นถึงความสอดรับกันทั้งหมดเลยคาพระเจ้าไม่มีการขัดแย้งกันนะสอนดูจิตขัดกันไม่ได้ต้องมีคนนึงจํามาผิดนะอต้องสอนสอดรับกันหกสิบนะกว่าพระสูตรนะมารวิธีที่ง่ายนะ่ะนํามาแจกให้วันนี้ ปฐมธรรมตามรอยธรรมก้าวย่างอย่างพุท ธ, ธะสามเล่มนี้เป็นแบบง่ายๆพระสูตรง่ายๆนะสำหรับผู้ใหม่เริ่มต้นเนี่ยอ่านสามเล่มนี้ก่อนหรืออยากได้เล่มเดียวอยู่หมัดเอาเล่มนี้ปฐมธรรมนะอ่าอันนี้ครบเครื่องตั้งแต่เบสิกพื้นฐานไปจนถึงมรรคผลนิพพานเลยนะการใช้ชีวิตในคาววะทํำยังไงนะเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมนะ ผูเจ้าตัดบอกอธิบายไว้อย่างไรมีครบถ้วนในนี้และเป็นพระสูตรที่คัดมาสั้นๆไม่เกิน2 3สนาทีโยมสามารถเอาไปอ่านให้คนในองค์กรตัวเองได้ใครมีบริษัทห้างร้านองคอ์กรหน่วยงานราชการเอาไปอ่านให้ลูกน้องตัวเองฟังหรือพนักงานในองค์กรฟังวันละ2 3นาทีเท่านั้นเสียสละเวลาเพียงเท่านี้ให้พนักงานในองค์กรเนี่ย รู้คำพระศัสดาเป็นการกระตุ้นเตือนจิตนะให้เกิดความสำนึกในความดีนะการลักเล็กขโมยน้อยในองค์กรจะหมดไปการเบียดเบียนกันจะหมดไปความเมตตาการให้ภัยจะเกิดขึ้นในองค์กรคนจะคุยกันง่ายขึ้นพูดจาคุยกันง่ายขึ้นเพราะคนมีธรรมะนะอารมณ์เสียมาจากบ้านมาถึงที่ทำงานได้ฟังคาพระศสดาสักพระสูตรหนึ่งก็แห่ใจเย็นลงเยอะใช่มอ่า นี่แหละนี่แหละตรงนี้ได้ประโยชน์มากเมื่อคนมีความสุขกับการทำงานงานในองคอ์กรโยมก็จะดีน ะ, ะ, ะมีประเด็นอื่นไหมใครต้องการซักถามอะไรเชิญส่งไมค์ข้างหลังนิดหนึ่งนำมัสกัดคุณเจ้าครับ อดีเคยได้รับหนังสือจากพระคุณเจ้าแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระ ส, สูตรอยู่เรื่องหนึ่งอะครับเรื่องผู้มีความเปลี่ยนตลอดเวลาภิส uh ูต huh. ทั้งหลายเมื่อพิกษุเดินยืนนั่งนอนอยู่ถ้าเกิดคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในกาลหรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางเดือดแค้นหรือคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางทําให้ผู้อื่นลําบากเป่าเ ป, าเป่าขึ้นมาและพิกษุไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นสละทิ้งไปถอดถอน ทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือที่สุดที่เป็นเช่นนี้แม้กําลังเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทําความเพียรเผาคิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นความปารบความเพียรอุทิศโตในการเผากิเลสอยู่เนืองเนืงเองคือจากพระสูตรเนี่ยครับออือคือกระผมเคยไปขึ้นเขาคิชกูดเคยไปไหว้พระเก้าวัดก็เลยนั่งวิเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วความเพียรในความหมายขององค์พระตถาคตก็คือ การพยายามเพียนเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาในจิตครับถูกต้องไม่ได้เกี่ยวกับการไปปีนเขาการไปวิเวกทุกดงตามป่าเขาอะไรไม่ใช่เป็นความเพียนทางจิตโยม อ, อยู่กับบ้านกันเรือนเนี่ยอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บรีบทิ้งนะอ่ะาพยาบาทเกิดขึ้นปุ๊บรีบทิ้งนะโอ้โหนี่ได้คะแนนเต็มเต็มเลยนะอ่าไม่เหนื่อยด้วยอจิตปราลบความเพียนตลอดนะนั้นเวลานั่งสมาธิเมื่อยเมื่อยทาไง ก็ลุกสิไปเดินใช่หัหจะได้หายเมื่อยแค่นั้นเองแต่ใจภาโลภความเพียรตลอดย่อมไปนั่งให้แข้งขาหักอยู่ทำไรน ะ, ะเดี๋ยวก็เป็นอัตตกิลมะฐานุโยโคใช่ไห น, นี่ผู้ปฏิบัติใหม่ๆก็หืมอยากจะสู้นะฮะร่างกายไม่ใช่เราตายเป็นตายครับเดยกก็ตายจริงๆหรอกน ะ, ะเพียรทั้งจิตเพียรทั้งจิตนะเป็นอิรี่บทไปเรื่อยๆเดินสลับนั่ง ศาสนายังสอนให้เดินสลับนั่งนะบอกพิสูชาครยานุโยคเป็นอย่างไรหลังฉันแล้วให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งลาตรียามสองให้นอนยามสามตื่นตื่นมาแล้วให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนรทั่งเชา้าเห็นไหมสอนพิสูยังให้เดินสลับนั่งเลยไม่ได้ให้ น, นั่งจนแข้งขาหากักเอาตายเป็นตายลุยไปเลยนะอย่างนี้สบายสบาย แต่จิตปารบความเพียรนะไม่ใช่จิตเนี่ยเดินฟุง้งเดินคิดไปทั่วไม่ใช่เนาะนั้นพระสูตรนี้ที่โยมผู้ชายเขายกขึ้นมาเนี่ยไล้รูปแบบมากเลยโยมจะยืนเดินนั่งนอนที่ไหนก็ได้ถ้าใจโยมคิดอกุศลจนทิ้งอย่างเดียวชื่อว่าโยมปารบความเพียรแล้วเผากิเลสแล้วใช่ไหมทำตามคำสอนพระาศาสดาละปฏิบัติตามโอวาทละอย่างนี้ ง่ายมากเลยผู้เจ้าสอนเราเนี่ยง่ายแต่เราไม่ได้จับประเด็นให้ถูกแค่ น, นั้นเองหรือไม่ได้ศึกษาคำของพระองค์เท่านั้นเอง <c oughs> พระสูตรนี้ยังไปสอดคล้องกับอีกพระสูตรหนึ่งว่าเมื่ออากุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะสุหีปฏ ah ิวานีสติสัมปัญญาอย่างแรงกล้าเพื่อ <c oughs> <ere> ที่จะดับอากุศลนั้นเสียโดยด่วน <c oughs> เหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะ ต้องทำยังไงต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามกุศละหะีนะความขมักเขม่นหรือความเพียรอย่างแรงกล้าปฏิวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนใช่ไหมหลักเดียวกันนะถ้าไฟไหม้ผมบนศีรษะยมทํางานนั่งเฉยๆปล่อยมันไหม้ไปรีบเปล่าต้องรีบดับใช่ไหมอ่าไฟไหม้เสื้อผ้าก็ต้องรีบดับ อกุศลเกิดในใจไม่ใช่ปล่อยไปอกุศลเกิดก็เกิดไปอย่าไปรีบดับมันนะไม่ดีหรือปล่อยไม่ใช้เป็นวิหาณธรรมเราอยู่ด้วยอกุศลวิตกนะจะคิดอกุศลเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นไหมเกิดมาปุ๊บต้องทิ้งทันทีเลยทิ้งจนไปรูล้ลงในใจแทนนะอ่าสติปัฏฐาน4ี่คือกองอกุศลที่แท้จริงนะผู้เจ้าบอกกองอกุศลคืออะไรก็คืออกุศลความคิดนั่นแหละ นะนิวรณ์ห้านะ่ะคืออกุศลที่แท้จริง <c oughs> ดูนี่ผู้ที่กล่าวอยู่ว่านิวรณ์ทั้งห้าคืออกุศลาสีกองอกุศลนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องน่ะกรรมฉันทะพยาบาทีนมิทะอุทจักกุกุ จ, จักวิจิกิจชาส่วนสติปัฏฐานสีคืออะไรคือกุศลาสีกองกุศลนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องอืมเห็นไะ โยนอคุสนทิ้งแล้วรู้กุสนแทน <c oughs> ได้ประโยชน์นะ <c oughs> อยากสวยอยากรวยอยากสูงสักไหม <c oughs> ถ้าอยากขี่เข้าไปใน a อ d ด o อ d หรือ a อ p l e รูปงามนะมีทรัพยนะ์สูงสกักนะเอาหมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> เ้วก็ใส่ซับเข้าไปอีกนะซับอย่างเดียวก็ได้กดค้นหาราพเข้าไปมาแล้ว น, นี่พระองค์ตัดกับใครตัดกับพนางมาลิกานะถ้าโยมเป็นยังไงมักโกรธแค้นใจ ถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองชุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองสแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะเป็นผู้ไม่ให้ทานคือข้าวน้ํายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประที่กลมไฟแก่สํานักพามและแถมยังมีใจลิษยาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้การบูชาของผู้อื่น <c oughs> เกียรติกันตัดรอนผูกความลิษยา ถ้ามาตุคามนั้นจติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดยๆย่อมเป็นผู้มีผิวพันธ์สามรูปชั่วไม่น่าดูทั้งเป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์และต่ำสัตย์อ่าลองไปดูอันที่สูงสัตย์นะเหมือนกันเหตุปัจจัยเดียวกันนะถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองนะอ่าเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจ นะถูกว่ามากขนาดไหนก็ไม่ขัดเครื่องไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ข้าวผ้าน้ายานผานะระเบียบของหอมเครื่องรูปไหลยแก่สมณพราหมณ์นะ <c oughs> เป็นไงถ้าเกิดมานะจะเป็นผู้มีผิวพรรณงามนะมั่งคั่งสูงสัดมีทรัพย์มากเห็นไหอ่นะ อยากหาอะไรหาได้แป๊บเดียวนะคียคําที่สงสัยเข้าไปอยากตอบแทนคุณบิดามารดาไหมอยากตอบแทนโยมก็ขีคําว่าตอบแทนบีดามานดาเข้าไปนะแล้วก็กดค้นหาติ้งออกมาเลยนะแ <c oughs> <c oughs> ป๊บออกมาแล้วนะเราก็ดึงมาสักสพศหนึ่ง นะนี่แม้จะนี่บอกดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรากล่าวกล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองคือใครมารดาบิดาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งพึงประครับประคองบิดาด้วยบาข้างหนึ่งเขามีอายุตลอดทั้งร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติต่อท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาะปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละดูก่อนพิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรธรรมแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่บิดามารดาเลยโอ้โหยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบิดามารดานะ <c oughs> อันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดา ในราชะสมบัตินะอันเป็นอิสลาธิปัตดในแผ่นดินใหญ่อันมีลัตนะเจประการมากหลายนี้การกระทํากิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทําแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่บิดามารดาเลยยกราชะสมบัติให้ทั้งหมดก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเห็นนะ <c oughs> ข้อนั้นเพราะเหตุลายเพราะมา น, นาบิดามีอุปการะมากแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย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 อันบุตรนั้นทําแล้วและทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานะโยมดึงจุงมารดาบิดาที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีจาระให้มีจาระไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีปัญญาให้มีปัญญาโยมดึงให้ได้4อย่างนี้ชื่อว่าตอบแทนนะเพราะจะทําให้มารดาบิดาเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นผู้ได้สดับในธรรมขยอบขึ้นมาเป็นอริยบุคคลทันทีนะแล้วมารดาบิดาจะหลุดพ้นจากอาสวะได้ เข้าถึงความไม่ตายะ <c oughs> อาจารย์ครับรบกวนถามอีกสักข้อครับทีพระพุทธ ว, วัฒนะซึ่งว่าเรื่องการาบรรลุโสดาบั น, นครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้กำลังสร้างความเพียรเพื่อจะอรู้แจ้งซึ่งโสตตา ปฏิผลเนี่ยอก็จะมีข้อที่ว่าศี่หบริสุทธิ์แล้วก็มีโสตาปัจจยังคสิยก็คือมั่นคงในพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ อ, อทีนี้บ า, บางครั้งกับผมเองเนี่ยพบข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ปัจจุบันซึ่งซึ่ง อ, อาจจะมีเรื่องที่ไม่เรีอยอมาแล้วเราเผลอไปคิดว่าทําไมคือทําไมท่านต้องเป็นแบบนั้นอันนี้ถือว่าผิดหรือเปล่าครับอ๋อไ ม, ไม่ผิดเพราะว่าถ้าจริงๆพระสงฆ์ทําผิดไม่ได้จัดเป็นสงสารวกของผู้เจ้าด้วยซ้ำ เป็นโมฆะบุรุษเป็นอรชีผู้ปลอมบทในศาสนาพระที่เป็นสงสาวกของพระเจ้าเนี่ยก็คือเป็นผู้มีศีล <c oughs> สมบูรณ์ด้วยปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรก็คือต้องมีศีลสามระบบบัญญัติก่อนปฏิโมกปฏิโมกและพิสมาจารย์เห็นนะนี่คือความเป็นสงสาวกนั้นเวลายมสามารถตําหนิพระได้เนี่ยคือแสดงว่าพระไม่ได้ทําตาม วินัยที่ศาสดาบัญญัติถ้าพระทําตามวินัยที่ศัสดาบัญญัติเนี่ยยมจะหาข้อติพระไม่ได้เลยมันจะเนียบหมดศินสองพัี่ร้อยกว่าข้อยมยิดอยู่บวนน้ําลายยังไม่อนุ ญ, ญาตให้บวนในของสดเขียวในน้ําในอะไรนี่ไม่ได้ต้องระมัดระวังนะการเดินในระแวกบ้านอย่าเดินไกวแขนเดี่ยงผ้าโปกหัวให้มีสายตาทอดลงต่ํามีเสียงน้อยไปในระแวกบ้านอย่าเดินคุยกันขโมงโฉงเฉงไม่ได้โอ้มารยาทนี่พระเจ้าคุม ละเอียดการกบฉันกินอาหารยาฉันเลียมือยาฉันเลียบาทเนี่ยยกบาทมาเลียไม่เอานะยาฉันทำกระพุ้งแก้มตุยนะยาฉันสลัดมือมือจันดีดโป๊กระเด็นไปติดเสื้อผ้าคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดนะยาฉันอะไรอ่ะนะยาทำคำข้าวให้ใหญ่นักทำคาข้าวให้กลมกล่อมยาสอดมือทั้งนั้นเข้าไปในปาก สายมันไปทั้งมือเลยนะโอ้โหอาปากสักว้างเนี่ยนะก็ต้องพอดีหมดอาโยมนะนี่เป็นมรารยาทเรียกอภิสมาจารย์ <c oughs> สินที่ว่าด้วยมรารยาท <c oughs> และโคจรการไปการมาของพระ <c oughs> ก็ <c oughs> มั่นคงในพระสงฆ์คือต้องเชื่อว่าผู้ที่เดินตามปฏิบัติตามนั้นเนี่ยมีจริงหลุดพ้นได้จริง นะนะแต่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะทุกคนคนที่ทําผิดแล้วเราไป <c oughs> ไปคิดตําหนิคือวันไหวไม่ใช่หนังสือที่นำมาให้ให้ดูนี้ <c oughs> มีจําหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปไหมตอบว่าไม่มีแปลกไหมอาตมาบอกว่าเป็นเรื่องแปลกที่ประเทศไทยเมืองพุทธไม่มีหนังสือคำสัสดาตัวเองออกจาหน่ายหรือว่าแจกจ่ายก็ตามมีแต่หนังสืออาจารย์นั้นอาจารย์นี้แต่อาจารย์ใหญ่ของเราคือเจ้าชายศรทสัทธธาไม่มีใครพิมพ์นะเขาขาดความมั่นใจในสัสดาตัวเองว่าถ้าคนอ่านคาศาสดาตัวเองกนะ็สงสัยจะไม่รู้เรื่อง อาจจะคิดไปอย่างนั้นแต่อาตมาชื่อว่ารู้เรื่องอาตมาเลยทํามาไงนั้นไปรับได้ที่วัดนาป่าพงหรือที่มูลนิธิพุทธโคดก็ได้นะร <c oughs> อมีมีเจ้าของโรงพิมพเนี่ยใจสู้เนี่ยนเอ่คิดว่าไอ้คาพระเจ้าต้องเป็นหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละนะอ <c oughs> ต้องมั่นใจแล้วอยอมจะเป็นโรงพิมพแรกในโลกที่พิมพ์คําศาสดา ออกจัดจำหน่ายนะแหลกไหมอืมเพราะนั้นอ <c oughs> าตอมาไป <c oughs> ไปบรรยายที่ทำเนียบรัฐบาลอาตอมาก็บอกเข้าไปแล้วบอกรัฐบาลไปแล้วบอกว่าช่วยมีหน่อยแล้วกันนะอ่าช่วยมีหน่อยนี่ไปมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะช่วงกลางเดือน ผู้บริหารมาฟังจํานวนพอสมควรนะเ <c oughs> จ้าที่ทุกคนในธรรมเนียบมาฟังเป็นการทำบุญครั้งแรกของธรรมเนียบรัฐบาลไทยแปลกไหมไม่เคยทำบุญธรรมเนียบนะนี่เป็นครั้งแรกอาตมาเลยไปฉลองนะแล้วการทำบุญครั้งแรกนี้เราก็ทำตามหลักพระผู้มีพระภาคเจ้าเราไม่มีสายศินไม่มีขันน้ำมนไม่มีตละลับปัดไม่มีเศกสวดเจิมแจมอะไรไม่มี พอผู้เจ้าห้ามทำหมดนะเราเอาของถูกไปลงเลยปุ๊บทีเดียวใช่ไหผู้เจ้าไปไปทำอะไรหนึ่งฉันอนุโมทนาแสดงธรรมนะพานั่งสมาธิ <c oughs> คนมารวมกันแล้วเนี่ยมากๆเนี่ยผู้เจ้าให้ทำอะไรหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริเจ้าพานั่งสมาธิไปสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนะเราก็แสดงธรรมนั่งสมาธิ จบง่ายสบายใช่ไหมได้ประโยชน์นะไปนั่งสวดเป็นครึ่งชั่วโมงอยไม่รู้เรื่องหรอกนะมันก็นั่งกวนนมมือไปคุยกันไปไม่รู้เรื่องใช่ไหมนั่งคุยธรรมะกันอย่างนี้ดีกว่าสักถามโต้ตอบกันอะไรกันพระบรมราชสามารถเปลี่ยนความเห็นของผู้นาได้เป็นจำนวนมากเลยนะบอกให้มีกิจกรรมอย่างนี้ไปตลอดเลยนะ ทุกเดือนเลยนะ ม, มีการบรรยายธรรมอย่างนี้ขนาดติดประชุมยังขอบอกว่าขอเลื่นประชุมได้ไ้ยอยากฟังธรรมเห็นไหโอ้มันเป็นเรื่องน่าแปลกมหมนักการเมืองอยากฟังธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนั้นในอนาคตเนี่ยอาตมาเชื่อว่า <c oughs> จะมีการเผยแผร่ธรรมพระศัสดามากขึ้น อาตมาบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ที่ประเทศไทยจะมีคำศัสดาหนะนังสือคำศัสดาตัวเองเนี่ยอยู่ในประเทศบ้างมันต้องหาง่ายอะโยมทุกแผงหนังสือต้องมีใช่ อ, <c oughs> เ, อเคยไปทราบมาอย่างในงบที่เขาเผยแผ่ศาสนามันเยอะเหมือนกันนะเ <c oughs> มือ่อสี่ห้าสัปดาห์ก่อนไปได้ยินเขาบอกมีงบ แค่ส่วนหนึ่งเนี่ยสอ0 0ัล้านบอกจะามาทําอะไรบอกเอาไปซ่อมวัดอืโยมเอาไปซ่อมวัดทําอะไรเนาะวัตถุก่อสร้างมันสร้างความเจริญอะไรให้พุทธบริษัทไม่ได้เราเนี่ยไปนั่งคิดเองกันตลอดเลยว่าศาสนาจะเจริญเพราะเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้ทําไมไม่กลับไปหาพุทธพจนะที่ตัดปอกความเจริญศาสนาสี่อย่างหนึ่งบทพันธสาถูกความหมายถูกอธิบายถูก นะเพราะฉะนั้นบทพันธนา2000ัล้านเนี่ยเอามาพิมพ์หนังสือสิแจกไปได้หูยทั่วประเทศเลยตั้งโรงพิมพ์ได้เป็นโรงๆเลยอ่ะใช่ไหมตั้งโรงพิมพ์เลยนะลงงานปั๊มซีดีทําซีดีแจกทั่วประเทศทําหนังสือแจกทั่วประเทศชาวพุทธทุกคนใครเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านเอาทะเบียนบ้านมาดูเอาไปหนังสือไปชุดหนึ่งอ่าใช่ไหมอ่ามีคำสศาร า, าของตัวเองอยู่กับบ้านสงสัยเปิดอ่านนะสาร า, าตัดสอนอย่างไรนี่ต้องอย่างนี้ ยมทุ่มเป็นแสนล้านนะ่ะสร้างทางด่วนสร้างได้เนี่ยทุ่มตรงเนี้ยนะแล้วทำให้ประชากรตนเองดีขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นใช่ปัญหาในประเทศจะลดลงไปแบบปุ๊บเลยงบประมาณประเทศที่เคยเสียไปกับการสูญเสียทรัพย์สินใช่เมาเหล้านะอรารวาดฆ่าคนขับรถชนกันบนท้องถนนเนี่ยนะใช่ไหมสพต้องถามสพอุบัติเหตุแต่กี่ร้อยลายต่อวันนะ่ะใช่ สงการเนี่ย่ห้าวันเนี่ยโอ้โหฟาดเขาไปกี่ศพเข้าไปแล้วล่ะใช่ไหมสูญเสียมหาศาลเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะหมดไปเลยใช่ไหมลักเล็กขโมยน้อยมันจะหมดเลยพวกปคนแบงค์ยาเสพทรงเสพติดคนมันมีคุณธรรมมายมเราเปลี่ยนคนไม่ได้เนี่ยคือเราย้ายคนไม่ได้เอาคนเลวในประเทศไทยออกไปเอาคนดีในประเทศอื่นย้ายเข้ามาย้ายไม่ได้เราต้องทําคนในประเทศที่อยู่ตรงนี้ให้มีคุณธรรมขึ้นมาเหมือนปรับองค์คุริมาน คนเลวให้เป็นคนดีเราก็ย้ายนักการเมืองไม่ได้โยมันก็มีไม่กี่พักอะันก็เห็นหน้าเก่ากันอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวนี่เลวจากเลวเป็นดีจากดีเป็นเลวกลับไปสิบรอบ20สิรอบเอ๊ะทำยังไงอะในเมื่อมันมีแต่คนเก่าอะต้องทําคนเก่านั่นแหละนะให้มีคุณธรรมให้เหมือนองค์คลิมานกลับใจโอ้เราจะมีนักการเมืองกลับใจนะน้ประเทศชาติเสียสละเพื่อประเทศ อย่างนี้นะล้วทีน่นิยมจะเลือกใครก็เลือกได้ใช่ไเลือกไปเลยเลือกไปเลยเลือกตรงไหนก็มีธรรมะหมดเนะ่ยใช่ไหมมันก็ง่ายสบายไม่หนักใจใช่ไมไม่ต้องไปก า, กาเบอร์ว่วงๆไม่เลือกนะโยมไม่เลือกทั้งประเทศนะยังไงก็ต้องเลือกประเทศชาติมันต้องเดินไปมันต้องมีผู้นำมันต้องมีคนตัดสินใจว่าจะทำยังไงอันนหนักคือตัวผู้นาไม่มีคนตัดสินใจมันจะทำยังไงโยม นะประเทศมันไลฟผู้นำไม่ได้นะ <c oughs> นั้นยังไงมันก็ต้องเลือกแล้วแต่นี้เลือกมันไม่มีที่ดีให้เลือกอย่างเงี้ยที่ฟังโยมพูดมานะแล้วต้องทำยังไงก็ต้องทาคนที่เราบอกว่าไม่ดีเนี่ยให้เป็นคนดีด้วยธรรมะโ <c oughs> ยมดูง่ายๆนักการเมืองยังฆ่าคนไม่ถึงเก้าร้อยกว่าคนนะมันยังเป็นคนดีได้อยู่นะ ه, มองง่ายๆอย่างนี้ <c oughs> ยังยังไม่เลวขนาดองคุลีมานนะใช่หม อ่าโอ้ยยังปรับตัวได้ยังปรับตัวได้ ไ, ดไม่ต้องห่วงให้มีธรรมะไปเลยนะนี่ก็อาจจะเป็นโชคดีในอนาคตต่อไปก็ได้เพราะว่าอาจจะได้ไปบรรยายทุกเดือนที่นี่นะอ่ะอาเราจะได้ใส่ข้อมูลคําศาสดาไปใส่ไปใส่ไปทุกเดือนนะค่อยๆขยายผลแล้วแต่มาจะเชิญชวนให้ให้รัฐบาลมา พิมพ์หนังสือศาสดาอย่ามาพิมพ์หนังสืออาจารย์คริสตินนะไร้สาร ะ, ล, ะ, ะลืมชื่ออาจารย์คริสตินไปได้เลย น, นึกถึงเจ้าชายศิริษฐาให้มากใ ช, ใช่ไหมนี่แล้วพิมพ์หนังสืออย่างนี้ใช่ไหมมาแจกทุกวัดวารามทั่วประเทศทําอย่างราชการที่5โยมอาตมาว่าราชการที่5มีวิสัยทัดไกลมากถ้าราชการที่5ไม่ขอร้องให้พระสงฆ์เนี่ยช่วยกันแปล จากอักษรขอมในใบลานมาเป็นอักษรสยามทุกวันนี้เราไม่มีทางรู้ศาสนาพุทธนะเพราะกี่คนจะรู้อักษรขอมร <c oughs> อหประเมินแล้วน้อยคนเนี่ยรู้อักษรขอมแล้วช่างจา์ใบลานก็หาคนทำได้ยากลงจึงตัดสินใจทํามาเป็นรูปแบบหนังสือซึ่งเทคโนโลยีเข้ามาครั้งแรกในประเทศไทยนะเหมือน Android เข้ามาครั้งแรกนะอาจารย์คลิตตัดสินใจ ทำลงใส่ทันทีเลยใช่ไหมกระจายทั่วโลกโยมอยู่ทั่วโลกโยมดึงข้อมูลศาสดาได้ทันทีเลยใช่ไหมเข้าไปในแอนดรอยด์มาร์ก็ตกดไม่ถึงหนึ่งนาทีข้อมูลมาอยู่ในเครื่องโยมแล้วอต้องสู้กันอย่างนี้โยมเอาความดีเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเทคโนโลยีมันสร้างทุกข์ให้อาตมาบอกเอาเครื่องมือดับทุกข์ใส่เข้าไปเนมันสิอ่า มันสร้างฟุ้งซ่านให้เราใช่ไหมเราเอาวิธีดับทุกข์ใส่เข้าไปคือคศาศาสดาใส่เข้าไปนะโยมทำงานไปทำงานมาเริ่มตาลายเริ่มฟุง้งซ่านโยมกดอ่านพุทธพจนะอ้าทันทีเลยสบายนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกจเจริญ น, นานาปานาสติดับทุกได้ใช่ไหมเรามีเครื่องมือแก้ทุกขเข้าไปอยู่ในนี้นะ <c oughs> มีประเด็นอื่นไห้เชิญฮะอ๋อนึกว่าจะแจกซัมซุมแจกอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยนะนี่อามาแจากให้กับกลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยทำหนังสือเล่มนี้อาตมาถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ของโลกเลย <c oughs> ท่านผู้ท่าสเคยทำมาแล้ว เคยรวบรวมมาพุทธวจนะอย่างเดียวเนี่ยห้าเล่มจากพระโอษฐ์แต่ยุคยุคนั้นท่านไม่มีคอมพิวเตอร์ท่านทำได้แค่ห้าเล่มเล่นซะยิบสองปีกว่าจะทำเสร็จนี่เราถึงบอกเป็นโชคดียังมีคอมพิวเตอร์สองสามปีเสร็จแล้วสาสิสามเล่มครบทั้งบาลีสามรัฐมีแต่คำศัสดาตัวเองไม่มีอัตกรถานะ <c oughs> และเมื่อโปรแกรมเราเขียนมาแล้วต้องมีคนใช้เพราะนั้นชุดแรกเลย ให้กับ 20-30 คนแรกที่ที่ช่วยทำหนังสือเล่มนี้นะแสดงว่ามีศรัทธาอาสาสมัครพวกคารวาเราเนี่ยจบโทรจบเอกกันมาช่วยกันม า, าทำตรงนี้ตรวจปุ๊บอักษรแยกบาลีไทยอะไรต่อะไรจัดใครมีความรู้คอมพิวเตอร์ก็ามาตับฐานข้อมูลให้ตรงกรันะายต่อะไรอย่างเนี้ยทำนะทำด้วยศรัทธาทำด้วยใจ ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนใช้ทํามาแล้วต้องมีคนใช้แล้วพอไปใช้ให้พวกเราเห็นน ะ, ะพวกเราก็จะได้ใช้ตามใช้ตามมันจะได้เป็นโรคระบาดออกไปปุ๊บออกไปน ะ, ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะแจกหนังสือกับ ซีดีแผ่นนี้ถ้าใครต้องการจะมีมาจำนวนหนึ่งไม่ไม่เยอะนะนั้นตอนแจกใครต้องการซีดีก็บอกด้วยเป็นลายบุคคลแล้วกันหนะนังสือพวกนี้จะมาแจกอยู่ตลอดเวลาที่วัดนะแจกอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะแล้วก็ไปบรรยายที่ไหนก็นำไปแจกด้วยทุกครั้ง ส่วนผู้บริหารในสภาเนี่ยอาตมาแจากให้ทั้ง1ิบเล่มเลยนะอ่าแล้วก็แจกอุปกรณ์เครื่องมือพวกนี้เขาด้วยให้เขายืนยันด้วยตัวเขาเองว่เอ้ยมันตรวจได้นะอ่าตรวจได้เขาจะได้เอาไปประชาสัมพันธ์ต่อไงอแล้วถ้าเกิดเขามีงบประมาณประเทศเนี่ยเขาต้องการแจกให้ระดับปุ้มหน่วยการโรงเรียนทั่วประเทศหรื อ, อไรเขาจะได้แจกได้พลึบเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์พวกนี้เพราะเรา แจกคอมพิวเตอร์ก็แจกได้เนี่ใช่ไหมระดับภาครัฐบาลเนี่ยงบประมาณระดับประเทศเนี่ยมันมีจำนวนมากนะอ่า <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พยายามให้ความรู้กับเขานั้นต้องปรับความเจริญศาสนาไปในทางที่ถูกต้องนะบทพันธะถูกความหมายถูกอธิบายถูกภิกษุว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความครบหนักแน่นข้อที่สาม ภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยทรงมรติกาต้องเป็นผู้ที่ขยันไถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้น น, นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขัดเป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปข้อที่4ีภิกษุที่เป็นเถระบวชนานสิปีขึ้นไปต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องุงหน้าไป็นนายกถังวเวยียงทำปาล็กความเปลี่ยนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี่คือสีข้อของความของความเจริญศาสนาไม่มีเรื่องวัตถุเลยนะเพราะนั้นสองพล้านที่เอาไปซ่อมวัตถุย้ายได้ไหม ย, ย้ายปุ๊บ พิมพ์หนังสือแทนนะสร้างโรงพิมพ์นะสำหรับพิมพ์ทำศาสดาเนี่ยแจกจ่ายทั่วประเทศใช่ไหมรัฐเป็นสปอนเซอร์แล้วรับรองเนี่ยพอคนในชาติเนี่ยมีสินรรมมากขึ้นนะปกครองง่ายโยมพูดง่ายน ะ, ะมันจะไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันอะไรมันจะหมดไปเลยนะเหตุของการทะเลาะเบาแวงนะเพราะมันไม่มีสิน ร, รม ทำให้เกิดการอิจฉาและความตรนีเกิดขึ้นผู้เจ้าจึงบอกจอมเทพจอมเทพมาถามผู้เจ้ามันไม่ใช่แต่มนุษย์นะที่ทะเลาะกันเทวดาก็ทะเลาะกันยักษ์หน้าคนธันตสูนทะเลาะกันทั่วโลกกระถาเพราะอะไรมันมีกิเลสทำยังไงให้กิเลสมันลดลงเหตุ2อย่างคืออิจฉาและตรนีความอิจฉากันความตรนี่ทำให้เกิดการทะเลาะกันอิจฉาและตรนีเกิดจากอะไรศาสะดาบอกเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รัก รักอะไรไม่รักอะไรเดี๋ยวจะทะเลาะ ก, กันแล้วน ะ, ะต้องวางอุเบกขาฝึกวางอุเบกขาเข้าใจมหม <c oughs> นี่วิธีแก้ถ้าเรารู้วิธีแก้แล้วช่วยกันทำศา ส, สนาจเจริญแน่การทะเลาะเบาแวงจะหมดไปในประเทศนะหลักพวกนี้นี่อาตมาจึงอยากให้ภูมิความรู้พวกนี้เนี่ยไปอยู่ในระดับของผู้บริหารประเทศเพื่อเขาจะได้มี พระผู้มีพระภาคเจ้าของเขาผู้เป็นสัพพัญญูคนที่ฉลาดที่สุดในโลกปลาดเพลิงที่สุดในโลกเป็นผู้นำนะเราจะเดินตามไปตามทิศทางของผู้นําไม่ใช่ทุกวันนี้นี่นั่งหอไปดูหมอนะผู้นําประเทศไนะลซาราะมาาาะไลซาระใช่ไหมอ่าอย่าไปสนใจนะเลยกลายเป็นประเทศนี่เดินไปตามทิศทางหมอดูโหสวยจริงๆใช่ไหมอ่ามันไม่ได้เดินไปตามภูมิปัญญาของสัพพัญญู ใช่ป่ะเพราะนั้นโยมลองดูสิเขาจะตากฎหมายเขาเอาไบเบิลวางเอาคัมภีร์อันกุรอานวางประเทศไทยไม่เอาอะไรวางเลยซะกันเอาพุทธวจนะวางเลยพับเข้าไปใช่มอ่าอย่างเงี้ยโยมจะเป็นมาตรฐานเลยหลักการอะไรอ่าสมมุติว่าเอมันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันจะทำยังไงพู้เจ้าบอกวิธีแก้ง่ายหนึ่งสมมุขหาวินยัยประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายมานั่งประชุมกัน 2. เยผุยสิกาใช้เสียงค้างมากถ้าประชุมกันแล้วได้ข้อยุติก็จบไปถ้าไม่ได้ข้อยุตินะมีช้อยไหมหนึ่งสองสขอเยผุยสิกาเสียงค้างมากตัดสินปับแล้วก็เดินตามนั้นง่ายนิดเดียวนะวิธีระงับเรื่องราว7วิธีนี่สมมุขหาวินยัยสติวินยัยอมูลหวินยัยปฏิญญาตากรณะเยผุยสิกาตัดสปาปิยสิกาติโนวถารโกติประชุมพร้อมหน้ากันอันนี้สําหรับพระละหาันอันนี้สําหรับพระที่เป็นบ้า อันนี้ปรับตามที่เขารับสารภาพอันนี้ใช้เสียงส่วนใหญ่อันนี้กริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดอันนี้ประณีประนอมระเบียบดังกลบไว้ด้วยยากถ้าเกิดมันยังยุติไม่ได้หยุดไว้ก่อนเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาตัดสิน <c oughs> จะมีอีกอันที่ผู้เจ้าบอกว่าใช้อุบายกับวิธีตั้งองค์คณะชุดเล็กขึ้นมาศึกษาตรงนี้นะแล้วเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการแตกแยกอย่างนี้เรียกว่าติโนวัถาลโกติระเบียบดังกลบไว้ด้วยยาก เห็นไหมว่าถ้าผู้นำประเทศใช้ภูมิปัญญาของศาสดาเราเป็นผู้นำทางเนี่ยโอ้ oh, จบง่ายเยอะนะเรื่องราวต่างๆในประเทศจะราบรื่น อ, อุปสรรคปัญหาจะน้อยลงประเทศจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประชาชนก็มีความสุขนะ <c oughs> มีประเด็นอื่นไหม ถ้าไม่มีก็ก่อนเลิกเดี๋ยวนั่งสมาธิกันสักสองสามนาทีนะทำความสงบจิตกันสักพักหนึ่งทำความรู้อยู่กับลหมหายใจเข้าออกของเรานะอานาปานสติ ตั้งจิตยอยู่กับลมหายใจของเรา <c oughs> ตั้งใจพอดีอย่าตั้งใจมากเกินไปหรืออย่าละหลวมเกินไปเพระาะศาสนาเปรียบเหมือนการการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือต้องจับพอดี ถ้าจิตเคลื่อนจากลมหายใจก็ให้ละนันทีคือความเพลินแล้วกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิม ก่อนออกจากสมาธิให้ตั้งจิตแผเมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย นั้นค่อยๆออกจากสมาธิมาข้าขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติาศาสินนั่งสมาธิเจริญภาวนาและได้มาสั่งสมสุตตะในคําของพระตถาคตาก็ขอให้พวกเราทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าในคําของพระตถาคต คิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสรความปรารถนามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและที่สุดใารได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมักผลนิพพานในานาคต ก, การอัในใกล้โดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด